อาจารย์ครับกลาวนามาสการครับผมเจริญพรหนหมอแนละ ท, ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับตรงเวลาเป๊ะนะอรย์พระอาจารย์ครับหลังจากที่ผมกลับจากวัดยานะครับผมก็พาครอบครัวไปทําบุญที่วัดอื่นๆ อ, อีกนะครับพอาจารย์ก็เลยไปไปเห็นเขาขนทรายเข้าวัดกันครับ ซึ่งก็เป็นประเพณีที่ดูแล้วก็งดงามดีครับแล้วก็ได้ยินเขาบอกว่าการขนทราเข้าวัดเนี่ยเป็นการาช่วยสืบทอดาศาสนาให้อยู่ได้นานขึ้นย่งเงครับพอดีผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เลยมีคําถามขึ้นในใจว่าเออประเพณีนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานขึ้นเนี่ยจะต้องทําอย่างไรครับวันนี้ก็เลยขอพระอาจารย์เมตตาให้ความกระจ่างด้วยครับผมคําตอบก็คือพระพุทธศาสนานี่คืออะไร พระพุทธศาสนาคือท้าววรวัฒน์ถือต่างๆหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดสโลพระทํามันประเสริฐจะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ก่อนตัดสโลก็ไม่ได้แสดงพระธรร แค่ผู้ใดไม่มีสาวไม่มีอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นมาแต่หลังจากที่พระเจ้าท <c oughs> ่งตัสสรุ <c oughs> แล้วนำเอาพระธรรมคาสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุถึงระตาตรมนตรเสริญที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัสสรุ คือพระนิพพานการเส้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการคลุ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่แหละคือพระพุทธศาสนาตัวพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นเมื่อได้ทรงตัดสั้นแล้วพระนํามาเผยแผ่ให้แก่ผู้ยุคที่พระเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกๆนี้ มีเจดีมีโบสถ์มีวัดหรือเปล่าไม่มีตอนที่พระเจ้าทรงตัดสรรวัธาธรรมอันประเสรอะนี้มีโบสถ์มีเจดีมีอะไรหรือเปล่าไม่มีมีแต่วัตธรรมอยู่ในป่าใต้โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งต่อมาเราเรียกว่าเป็นต้นโพลก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีใบที่แผ่คลุคมทําให้รนมเย็ยนสําหรับ เพื่อต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อการตัสรู้พระธรรมอันประเสริฐ น, นี่แหละคือศาสนายุทตัวศาสนาก็คือพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรู้ถ้าพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตัสรู้พระธรรมอันประเสริฐนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถนา ก็ทําหมืนเป ร, เรื่องนี้มาเผยแพร่สัมสอนให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็ไม่มีใครที่จะบรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ขอพระพุทธเจ้าได้สรงตรัสรู้เป็นบุคคลแรกรู้วิธีการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอนํามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นพอผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วน้ำนำอมนําำไปปฏิบัติ ก็สามารถที่จะ <c oughs> ทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวีนว่ายตเกิดได้แล้วเมื่อตอนเองได้หลุดพ้นแล้ว <c oughs> อเอาไปก็สามารถเผยแผ่ความรู้นี้แก่ผู้อื่นต่อไปได้จึงปรากฏมีการเผยแผ่พระธรรมอย่างกว้างขวางไปทุกสารทิศจนมีผู้บรรูุธรร ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาเป็นจํานวนมากยังทําให้เกิดมีการความจําเป็นที่จะต้องสร้างที่วสัยให้กับผ้าภิกษุต่างๆที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดต่อไปอยันใน ในระยะแรกๆเท้าวแราวัตถุนั้นก็คิดว่าจะมีแต่เพียงที่อยู่อาศัยซ mm ึ hmm. ่งในตำนานเราคงจะได้ยินว่าเศรษฐีเอ่ยพระเจ้าแผ่นดินเอ่ยก็สร้างวัดถวายพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเวลาได้จาริก ม, มาสูงและระแวงนั้นจะได้มีที่พักอาศัยพร้อมกับภาพเอกสูตรที่ติดตามมานี่ก็คือเรื่องที่ตามมา หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศได้ทรงตัดสรุปก่อนแล้วได้ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ทําให้บรรลุถึงพระธรรมันประเสริฐได้เมื่อบรรลุได้แล้วก็สามารถนำเอาความรู้นี้ไปสอนให้แก่ผู้อีกทอดน ยังมีการในการปรากฏมีพระอริยรสงสาวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะแรกแรกของการเผยแผร่เพราะว่าการเผยแพร่พระเจ้านี้ทรงมีจุดเหมือนการตลาดเวลาเราจะทำการตลาดเราต้องดูผู้ที่เราจะเข้าถึงก่อนว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถที่จะเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ เห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเราได้เราไม่ไปเผยแผ่ให้กับคนที่เขาไม่มีศักยภาพที่จะเห็นคุณประโยชน์หรือมีศักยภาพที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ใช่ไหมเราก็ต้องเลนดูตลาดว่านพระเจ้าขอนจะแสดงธรรมก็ส่งเนง่นดูตลา ด, าดก่อนาดดมาจะเอาพระธรรมอันนี้ไปเผยแผ่ให้กับใครในเบื้องต้ น, นตอนที่ตัดสรุปใหม่ๆนี่ เห็นตลาดว่าเป็นตลาดที่ไม่มีใครจะสามารถรับรประทานของเปเส่องอันนี้ไปได้เลยในเรื่องต้นพแต่คิดแบบรวมๆ ม, มองดูคนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพพอที่จะเข้าถึงเมื่อทำเปรสริฐนี้ได้แต่ต่อมาก็มีในในตำนานก็มีพูดว่ามีเท้ามาหารม มากราบขอราธนาให้โปรดเมตตาสันโลกหลังจากนั้น อ, องค์จึงได้พิจารณาดูสัตว์โลกว่ามีสัตว์โลกแบบไหนบ้างที่จะสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าก็ทรงเห็นว่ามีอยู่สี่ระดับด้วยกันของผู้ที่ มีความสามารถที่จะเข้าถึงสื่อพระธรรมของสอนของพระพุทธเจ้าได้แบ่งเป็นบัวสี่เหล่านะบัวสามเหล่าแร้นี่ก็เป็นบัวที่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าแล้วก็แล้วก็บานขึ้นมาได้แต่นี่บัวอีกส่วนหนึ่งที่จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้มได้ พราชการเปอาหารของปูของปลาไปก่อนหลังจากนั้นเมื่อท่าอได้พิจารณาเห็นศักยภาพของผู้ที่ยจะรับทำของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สระดับระดับต่ำที่สุดเทนั้นก็ต้องตัดไปเพราะว่าเป็นพวกที่จะไม่สามารถที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็เหลือสามพวกสามพวกก็มีพวกที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วและปฏิบัติ ได้ได้เร็วบรรูุได้เร็วพวกที่หนึ่งพวกที่สองก็เป็นพวกที่มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถน้อยน้อยกว่าพวกที่หนึ่งต้องใช้เวลาสั่งสอนและใช้เวลาปฏิบัติมากกว่าแะพวกที่สามก็เป็นพวกที่มีสติปัญญาความสามารถที่ต่ามากแต่ถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝนอบรม ได้ศึกษาได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถข้ามขึ้นสู่ระดับที่สองและที่ที่หนึ่งตามระดับต่อไปได้<อ><อ>งั้นในระยะระยะี้พระเจ้าส่งเรงไปที่พวกที่สามารถที่จะเข้าถึงมาญธรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว, ว<อ>ก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองคือผู้ที่จะเข้าถึงบุญธรรมของพระพุทธเจ้าท่านนี้ต้องมีสีนบ้ทีอก ต้องมีสมาธิที่แน่วแน่คือมีออเบกาเข้าฌานได้เข้าฌานรูปฌานหรืออรูปฌานได้ถ้าพวกนี้พอได้ยินได้ฟังทมคือขั้นปัญญาก็จะสามารถใช้ปัญญาที่ทรงชนะทรงสอนสสอนี้นำไปตัดสัโยชน์10ประการให้บรรลุมรรคผลที่พ่านขึ้นมาตามลำดับได้อย่างง่ายดายแลรวดเร็ว นี่ะนี่เกิดสาเของการแสดงธรรมในยุคแรกๆนี้พระพุทธเจามุ่งไปที่น้ำบุ๋ยทั้งหลายกลุ่มแรกก็กลุ่มแรกที่พระาจยาจะมุ่งไปหาคือพระอาจารย์สองรูปที่ได้รูปประชาญและรูปประชาญแล้วแต่มาทราบข่าวว่าท่านทั้งสองรูปได้จากไปแล้วรู้สึกรูปหนึ่งจากไปเมื่อเดือนที่แล้วอีกรูปหนึ่งจากไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็เลยส่งบอกน่าเสียดายที่พระอาจารย์สองรูปนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได้ฟังธรรมนประเสริสนี้เพราะเชื่อว่าถ้าได้ฟังธรรมดาวน์นี้จะสามารถที่จะบรรลุได้ทันทีนะ่ตากระแล้วก็ต้องไปรับผลของบุญที่ได้สร้างไว้คือไปเกิดในพรหมโลกแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาบำเพ็ญใหม่ต่อไป ถ้าไม่นด้ามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะติดอยู่ตรงในระดับนั้นระดับรูกประชานรูกประชาญนจนกว่าตนเองจะมีปัญญาสามารถเห็นตาไยารรสัตว์สิ่งได้ด้วยตนเองนันนี่คือก็อะไรน่าเสียดายถ้าอยู่ต่อไปสักเดือนหนึ่งท่ า, านีน้ได้ยินได้ฟังธรรมของพุทธเจ้านี้ก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเห็นว่าตาเกิดอีกต่อไปเมื่อ คิดถึงสองรูปนี้แล้วเห็นว่าท่านผ่านไปแล้วก็เลยนึกถึงอีกห้ารูปที่เคยเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าเก็คือพระปัญจวคัคคีท่านก็รู้จักพระปัญจวัคคีว่าเป็นนักบวชมีศีลที่บริสุทธิ์และมีความสามารถที่จะเข้าสู่รูปฌานและรูปฌานได้ท่านก็เลยมุ่งไปที่พระปัญจวัคคีเป็นคนรูแรกในการสอนธรรมะ ตอนได้พบกับพระปัจจวัคคีตอนต้นพระปัจจวัคคีก็มีความลอลรีไม่นั่นใจว่าอยากจะกราบไหวพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่เมื่อทรงเห็นพระรัศมีของปอพระบารมีที่ไดจากการตสรัสโลนี้ทําให้เขานี้เปลี่ยนใจแล้วน้องจากเพื่อรับฟังคําสั่งคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้า พอพระองค์ทรงแสดงธรรมเจ็ดขั้นแรกแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงมากแปดหนึ่งในภาพอ ร, ยริยสมุทัยหคือพระอัญญาณกอธัญญาก็บรรลุเป็นพระสวัสดา์เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งมีโดวตาเห็นธรรมทาให้ปรากฏสิ่งที่จะประกอบเป็นองค์สําคัญของพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ พระพุทธคือผู้ที่ตัดสรตวธรรมเป็นพระองค์แรกแล้วก็เอาพระธรรมที่สอนที่บรรลุที่ตัดสัตวนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วก็พอสัตว์โลกได้ยินได้ฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาวันขึ้นมาหนึ่งท่านเป็นพระอริยสงสารุหนึ่งท่านก็เลยปรากฏมีพระพุทธพุทธธรรมพระสงครบองค์ในการาแสดงธรรมครั้งแรก ซึ่งเป็นวันที่สมัยนี้เราเรียกว่าวันอาสาหบบูชานี่วันนั้นวันนั้นมันขึ้นสิบห้าค่เดือนแปดที่ถือว่าเป็นวันก่อตั้งวันเกิดของพระพุทธศาสนาขึ้นมาพระพุทธศาสนาจะเป็นจะจะเจริญงกงามได้นี้ต้องมีสามองค์นี้คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือถ้า เช่นในกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงจากไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมคำสอนนี้ก็จะเป็นของแทนของพระพุทธเจ้าได้องค์แทนของสาวกได้ดังถ้ามีพระธรรมยังมีพระธรรมคำสอนอยู่ในโลกนี้อยู่ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าถึงแม้อาจจะไม่มีพระอริยสงสาวกอยู่แต่ถ้ยังมีพระธรรมคำสอนเช่นที่มีมีเก็กบไว้ในข้อตัดปีเด็กนี้ก็ยังสามารถ ทำใหผู้ที่สนใจในการศึกษาเพื่อพัฒนารหรือทนนี้สามารถน้ำนำอมนํำมาไปปฏิบัติและหลุดค้นได้แต่จะไม่ง่ายเท่ากับถ้ามีพระอริยะรูปใดรูปหนึ่งคอยให้คําแนะนําเพราะว่าเหมือนกับการที่คนไข้จะไปรักษาตัวเองด้วยการเปิดตาลาหมอกับการมีหมอมาดูแลให้อย่างไหนจะง่ายกว่ากัน ใช่เวลาเราไม่สบายนี้เราบ้างจะไปหาหมอกันเนี้เราไม่ไปเปิดตำราหรือว่าซึ่งสมัยนี้บางทีก็เปิดได้นะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเช่นแบบปวดท้องปวดศีรษะมีอาียนก็ลองถาม Google ดูก็ได้ว่าเป็นอะไรแต่บางทีก็ไม่แน่ใจว่า Google จะตอบได้ถูกหรือเปล่า่แต่ถ้าไปหาหมอนี่หมอมีประสบะการณ์เคยรักษาคนไข้ มีอาการแบบนี้แล้วรู้ว่าใช้ ย, ยาชนิดนี้รักษาแบบนี้จะค่ายข็หายไนดะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกับพราธรรมคำสอนกับพระพุทธเจ้าก็เป็นยาเนี่ยเป็นเป็นวิชาความรู้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บจิตใจก็มีโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันนฉั้นถ้ามีถ้ามีตํานาอย่างเดียวก็ยังพอที่จะถูถ่ายไปได้ถ้าไม่มีหาหมอไม่เจอ ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีหมอก็ต้องผ่าสายกันเปิดตำราอยู่แล้วก็อาจจะใช้เวลาหน่อยลองผิดลองถูกหนถ้าพยายามไม่ช้าก็เ ก, ก็อาจจะหายได้ถ้าไม่หายก็ถือว่าเป็นความโง่ของคนไทยที่ไม่สามารถที่จะตัดความหมายของของวิชาความรู้ได้อันนี้ก็แบบเดียวกันเลยนะมาทําคําสอนก็เช่นเดียวกันต้องมีเนี่ยหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งองค์ได้องค์หนึ่ง แต่ใ น, นตอนเริ่มต้นนี้ต้องมีสามองค์ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็มีการมีการแสดงธรรมแล้วก็มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นพระอริยสงสาวกก็จะสามารถทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้คือหลังจากพระพุทธเจ้าตายไปพระพุทธเจ้าอยู่แค่อายุแปดสิบปีนะแต่ตอนนั้นมีพราหลานอย่างร้อยห้าร้อยรูปมากกว่านั้นอีกเยอะที่มาประชุมกัน เพื่อมาสังคายนามาคัดรองคำสอนองพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆเวลาต่างๆแล้วก็ตรวจสอบความผิดความความความผิดถูกโดยการมีการมีการตรวจสอบกันโดยอาศาาาัยพ้าลาห้าร้อยรูปเป็นผู้คอยช่วยตรวจสอบจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าพระธรรมคำสอนที่ได้มีบรรจุไว้ ในพระไตรปิฎกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจารานี้ยังถือว่าเป็นพระธรรมที่ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะได้รับการรับรองจากพระอาจารย์ถึงห้าร้อยรุ่นด้วยกันแล้วก็มีการสักพยานามาอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือพระธรรมคำสอนคือพระไตรปิฎกที่มีบรรจุในพระไตรปิฎกแต่เนื่องจากพวกเราสมายัยในช่วงนี้ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระอนุญาสงสาวที่สามารถสอนพะทธารรมให้กับเราได้เราก็เลยไม่ต้องอาศัยการศึกษาจากระ้ทยเป็นกอาศัยการเข้าหาพระพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่บรรย์ถึงพระธรรมันประเสริฐนี้ยมันง่ายกว่าที่จะไปศึกษาค้นคว้าหาด้วยตัวเองนี่แหละก็คือ ทำไมศาสนาของเราถึงอยู่มาได้นจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีบทมีเจดีย์มีสา ว, ว ร, าร JD, าวัฒน์เถิต่างวาบทตรเจดีย์ท้าวรมั์ถิต่างๆที่สร้างมาในยุคสมัยพุทธกาลก็ชำรุดซุดเิงหายไปหมดกลายเป็นซากปรักหักพังแต่พระธรรมคำสอนนี้ยังมีการเผยแห่มีการศึกษาอยู่มีการบรรลุอยู่ เมื่อบรรลแล้วก็สามารถที่จะไปเผยแพรสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งดังนั้นการที่เราจะทำนุสบำรุงพระพุทธศาสนาจึงต้องทำนุสบำรุงที่การในธรรส4สีส่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งการการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทางบาลีท่านเรียกว่าปริียะ อริยติธรรต้องศึกษาก่อนถึงจะได้รู้ว่าต้องต้อง <c oughs> ต้องปฏิบัติอะไรเช่นเรามาฟังกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติโดยหลักก็คือสามหัวข้อใหญ่ๆทานศีลนัตภ า, าวนาแล้วเราก็จะไปศึกษาว่าทําทานอย่างไรถึงจะถูกต้องทํามากทําน้อยอย่างไรมีรายละเอียดต่อไปแล้วก็นําออกไปปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญา ต้องทำให้ครบร้อยเต็มร้อยถึงจะสามารถทำให้ดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างเต็มร้อยนะั่นเองถ้าทำอย่างละห้าสิบห้าสิบก็จะดับได้เพียงห้าสิบอันนี้ก็คือการศึกษาเมื่อรู้นะว่าเราต้องทำทานเสียสละแบ่งปันสละทรัพย์สมบัติเข้าไปไม่ให้มีมากเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องมี เพาเงินทองนี้ถ้าไม่มีมีใกล้มือมันน่าจะถูกกิเลสดึงไปใช้มากกว่าแทนที่จะเอาเงินทองมาดับความทุกข์กับเอาเงินทองมาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราเอาเงินทองไปใช้ตามความอย่ากต่างๆเพราะมันใช้ถ้ามันติดมันก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วอันไหนถ้ามันไม่มีใช้มันก็จะทุกข์เราก็ต้องทุกข์อยู่กับการไปหาเงินมาเติมอยู่เรื่อยๆ พระเจ้าตรัสสอนว่าเราอย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างนใช้กับสิ่งที่จําเป็นต่าตามมอการดำรงอาชีพคือปัจจัยสี่อันนี้ยกตัวอย่างของการศึกษาเพื่อนำมา ป, ปฏิบัตินเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็คือปฏิเวทก็จะตามมาศึกษาปฏิบัติปริญญาตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆมรรคสีผลสีนิพพานนี่คือปฏิเวท เมืม่อมนุษย์ถึงพระนิพพานแล้วก็มีความรู้สมบูรณ์สามารถนำาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้นินทอดเลยถ้าท่าที่ไหนมีพระอริยบุคคลเผยแผ่สั่งสอนที่นั้นนอกจาจะมีศรัทธาคนเข้าหาแล้วก็ไปสร้างอะไรต่างๆถวายท่านครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านเริ่มต้นด้วยการไปอยู่ทุ่ตดงในป่านะแต่และองค์นี้ ท่านไม่มีวา่าถึงท่านเง่งท่านก็ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดแล้วพอท่านออกไปท่านก็ไปแสวงหาทำตามที่ต่างๆพอท่านมันรู้ธรรมท่านก็อยู่ที่ไหนก็มีคนเข้าไปถวายปัจจัยสี่ถวายท้าวร์และวัตถุต่างๆปรากฏกลายเป็นวัดขึ้นมามากมายไกลกว่า เพราะอำนาจของพระธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของท่านนะครับที่ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดความประทับใจเกิดความศรัทธาเรื่อมใสเพราะเป็นธรรมที่ทําให้ใจเขาสงบเย็ยนได้ถึงแม้ว่าใจนั้นไม่ได้บรรลุหลุดพ้นเลยทีเดียวแต่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลตามหลักความเป็นจริงแล้วก็วทําให้ใจที่รุร้อนะั้นเย็ยนลงได้อย่างมหาศาลใจ มีการมีศรัทธาในบุคคลในพระอริยบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีดวงตาผู้รู้ธรรมจริงๆมาจึงปรากฏมีถาวและ ว, วัถตถุต่างๆๆามาแต่ท่านก็คอยควบคุ ม, มไม่ให้มีการก่อสร้างเกินเหตุเกินผลในสมัยที่เราอยู่วัดป่าบ้านตานนี้ท่านก็ให้มีแค่สารากบะเพาะ อย่างอื่ไม่มีโบสถ์เจดีไม่มีวิหารอะไรต่างไม่มีมมาาแ ม, ม้แต่พระเจ้าแผ่นดินจะถวายบสถ์ให้ท่านก็บอ ก, ท, ก, บอกท่านก็ปฏิเสธไปเพราะว่าท่านให้ความสําคัญต่อการสร้างพระมากกว่าการสร้างฐานวรวัตรเพราะบสถก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะสามารถทําำกิจกรรมตามศาสนาได้โดยไม่ต้องมีโบสถก็ได้นี่แหละคือ ตัวศาสนาที่แ ท, ท้จริงอยู่ที่พระธรรมคำสอนแล้วต้องอยู่ในใจของพระอริยบุคลอยู่ที่ในใจของผู้ที่ได้หลพ้นจากอกทุกข์คือพระอรหันต์ถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มันเป็นธรรมที่ค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงอยู่จะเป็นธรรมที่ยากต่อการเข้าใจเข้าถึงได้ไม่เหมือนกับธรรมที่มีอยู่ในใจของพระสาวกพระสาวก พพาลยะสงสารท่านสามารถที่จะนำเอามาพูดให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายดายและตรงประเด็นที่สุดเพราะตามพระในพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีมากมายเพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมในระดับต่างๆกันให้กับบุคคลในระดับต่างๆฟั ง, งกันมันถึงมันถึงมีมากมาย แต่ถ้าผู้ที่ศึกษาจริงๆล้าจะรู้ว่าก็จะสรุปลงอยู่ที่ทำสามทัาน น, นี้นะก็คือทานศีลภาวนาแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่ไม่เข้าใจในี่ศึกษาไปแล้วก็งงไม่รู้ว่าจะศึกษาพระสูตรอันไหนดีงงไปหมดเพราะมีทำเยอะแยะไปหมดแป0ห0ื่นสี่ันทำมามดเนี่ยไม่รู้จะไปน่า้น ท, าที่ตรงไหนกัน แต่ถ้าพ่อเขาหาพระ อ, อริยสงสาวลงท่านก็บอกทําทานซีโยรักษาศีลภาวนาแค่นี้แหละไม่ต้องไปสนใจกับอะไรมากเกินไปนี่คือองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจของพระ อ, อริยะสงสารและทำที่จะอยู่ในใจของพระ อ, อริยะสงสาวลงได้ในี้ก็ต้องมีเกิดจากการมีการศึกษา มีการมีการปฏิบัติแล้วก็มีการบรรุธรรมแล้วก็มีการนำเอาธรรมที่บรรลุนี้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปถ้ามีการปฏิบัติสี่ข้อนี้อยู่อย่างต่อเ น, นื่องศาสนาจะไม่มีวันน่อมจงจะไม่มีวันน่อมสลายถึงแม้วาดวารามจะถูกฝ่าย ไ, ไม่ประสงค์ดีทำร้ายระเบิด ทำลายพระพุทธรูปตัดเสียรพระพุทธรูปไปเป็นเครื่องประดับหรืออะไรก็สุดแท้แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวาศาสานาอย่างแท้จริงเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องแสดงศรัทธาของชาวพุทธผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมด้วยการปฏิบัติได้ก็ขอเข้าถึงด้วยการทรําบุญทำทานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสันตบูชาไปก่อน ดนวยการสร้างถาวรและวัตถุ ต, ต่างๆโบสถ์เจดีย์มันสวยงามเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีฐานะเงินทองนี่สามารถทําได้อย่างง่ายดายแต่จะให้เขามารักษาสิ่มาภาวนานี้มันเป็นเขาที่ยากสําหรับเขามากเพราะเขาเกิดอยู่บนกองเงินกองทองอยู่บนความสุขของกามสุขคือรูปเสียงกลิ่นต้นการที่จะทําให้เขาต้องมา รักษาศีลมามาอดหลับขับตานอนอดข้าวอดอะไรนี่อดการเศ็บความสุขทางตาหูจรูกเลี้ยงกายนี่มันเป็นของที่ยากสำหรับเขาที่เขาจะทำได้เขาก็เลยมักจะทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือบริจาคเงินทองที่เขามีให้กับศาสนาเพื่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆไว้เป็นที่ศัตรูบูชาของชาวพุทธ แต่เราอย่าไปหลงประเด็นว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะศาสนานี้ไม่มีสาวาวและวัตถต่างๆก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะในยุคที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีสาววและวัตถต่างๆดังนสาระของศาสนานี้อยู่ที่พระธรรมคาสอนที่เข้าถึงที่อยู่ในใจของผู้ที่บรรลุถังหรือพระอนิยสงสาร เพราะมีพระธรรมคาสอนอยู่ในใจของพระอริยสงสารองแล้วท่านก็จะสามารถเผยแผ่ธรรมนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่มีธรรมได้ผู้ที่ไม่มีธรรมก็สามารถศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของศาสนาและวิธีที่จะสืบท่าพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็คือเราต้องศึกษาพระธรรมคาสอน แล้วก็ปฏิบัติพระธรรมคำสอนให้เต็มร้อยให้ได้เพราะเมื่อเราได้เต็มร้อยแล้วเราก็จะได้มรุษย์มรรคผลนม่ผ่านได้เต็มที่เมื่อมนุษย์เราได้แล้วเราก็จะได้ทําหน้าที่อนุรักษ์รักษาพระธรรมนี้ด้วยการเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเพื่อที่เขาจะได้รับพระธรรมจากใจไปสู่ใจ อาจจ่างแล้วครับอาารย์ครับผมจะน้อมนําไปศึกษาและปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับอุตส่าหอเลยนะครับผมในกระจ่าเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจะขอโอกาสถามคำถามจากท่านอื่นๆบ้างนะครับจากพระมานะครับขอถามว่าปาฏิหารเป็นสมาธิขั้นไหนครับคือปาฏิหารคือเขาเรียกอิทธิปาฏิหารหรือ ความสามารถพิเศษต่างๆนี้เกิดจากในสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิและอุปจาระสมาธินี้ไม่ใช่ตามที่เขาแปลกันในหนังสือว่ากําลังเข้าสู่สมาธิอุปาอุปจารเขาอุปจารเขาเอะไรที่ว่าเป็นการยังไม่เข้าสู่สมาธิในการก่อนจะเข้าสู่สมาธิแต่แตัดความเป็นจริงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติมานี้ท่านบอกว่า เป็นสมาธิที่หลังจากที่เข้าสู่สมาธิแล้วไม่อยู่นิ่งไม่เป็นอุเบกขาแต่ถอนออกมาเล็กน้อยเพื่อออกมารับรู้หรือใช้ความสามารถพิเศษได้รี่ว่าอภิญญามีตาทิพย์คือหูทิพย์สามารถเห็นกายทิพย์ต่างๆได้สามารถสนทนากับกายทิพย์พวกเทวดาพวกเปรสพวกผีได้ ด้วยสมาธิชนิดนี้เลยว่าเรา่องชาติได้หรืออ่านบาราจิตของผู้ได้ใครกําลังคิดอะไรอยู่นี่ผู้ที่มีมีอุปจารสมาธินี้ก็จะสามารถที่จะอ่านจิตของผู้อื่นได้อันนี้เรียกว่าอยู่ในอุปจารสมาธิซึ่งต้องเข้าต้องผ่านอัปปนาสมาธิจิตต้องเข้าสู่อัปปนาสมาธิเพียงแต่ว่า คล้ายๆกับคณิกะคณิกะพอเข้าก็เข้าตาประณัติเข้าสู่สมาธิพักจิตรวมก็ได้หนกถอนออกมากลับมาสู่ระดับจิปตปกติแต่ระดับอุปจาราสมาธินี้ได้ออกมานิดหน่อยยิดหน่อยครึ่งเดียวมันไม่ถึงครึ่งคือไม่ออกมาถึงระดับจิปตปกติอยู่ระหว่างจิตปกติกับอยู่ระหว่างจิตของสมาธิจิตที่สงบนิง่ง คือเป็นจิตที่ไม่นิ่งแต่แต่เป็นจิตที่ที่สงบแต่ไม่นิ่งขาจะคื อ, อการ <c oughs> คือปรัศจากความคิดปุูกแต่งแต่จะมีความสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่จิตนี้สามารถไปรับรู้ได้รับเรื่องชาติได้อ่านวาจิตของผูนะ้อื่นได้เหมืนกับเป็นการเปิดเครื่องเครื่องมือถือแต่คนใช้ไม่ได้พูดไม่ได้ใช้เครื่องมือถือที่จะพูด นอกจากว่าถ้าติดต่อกับกายทิพย์แล้วต้องมีการสนทนาธรรมกันก็สามารถสนทนาธรรมกับกายทิพย์ได้ในพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้สมาธิแบบนี้เพื่อสแสดงธรรมให้กับเทวดาทั้งหลายแสดงทําให้กับพุทธมารดาแต่สมาธิแบบนี้ถ้าไม่ระวัตระวังถ้ายังไม่ได้บรรลุไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะจะทําให้หลงผิดได้จะคิดว่าเป็นธรรมประเสริฐ เราจะติดสมาธิแบบนี้จะทำให้ไม่สามารถก้าวไปสู่ขั้นระดับวิปัสสนาหรือปัญญาเพื่อละสัมโยน์กิเลตทั้งหลายให้หมดไปได้แล้วก็อาจจะถูกกิเลสนี้ใช้ใช้เป็นเครื่องมือโดยที่ไม่รู้สึกตัวเช่นพระเทวทัตพระเทวทัต น, นี่ก็บรรลุถึงสมาธิอุปัาระสมาธิรู้สึกว่าท่านในอิทธิฤทธิสามารถทาอะไรบางอย่างได้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร การสามารถนี้เลยทําให้ท่านหลวงคิดว่าท่านเก่ถึงกล้าที่จะขอพระพุทธเจ้าว่าขอเป็นผู้สืบทอดหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าขอเป็นประธานส่งต่อจากพระพุทธเจ้าผมทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงชลาภาพแล้วพระพุทธเจ้าควรที่จะภาพผอนได้แล้วพอให้คนหนุ่มอย่างเทวทัตนี้มาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็อ่านใจของเทวทัตได้ด้วยว่าใจขอเทวทัตนี้ ยังเต็มไปด้วยกิเลตัณหาเพียงแต่เอ่ยปากมันก็เห็นแล้วไ ม, ไม่ต้องไปใช้ฌานยา น, ยานอย่างทราบเพียงแต่อ้าปากออกมาก็รู้ว่าออดความอยากเป็นอยากเป็นโตมาแล้วภาวตัณหาถผล่ขึ้นมาแลพระเจ้าส่งปฏิเสธไปก็ทําให้พระเจวท่านโกรธ น, นะเห็นไหมมีกิเลสความโกรธขึ้นมาเราไม่รู้สึกตัวยแลตั้งที่คิดว่าตอนในบรรลุทํามขั้นสูงนะ จึงกำลังวางแผนข่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ข่าไม่สําเร็จทําได้อย่างมากก็ทําให้พระบาดท่อเลือดหลังจากนั้นก็เกิดความรู้สึกเสียใจยขึ้นมาในภายหลังแล้วก็ไปกาบขอขมาระหว่างทางก็่กอนจะถึงก็ถูกแผ่นดินสูบก่อนจะถูกแผ่นดินสูบก็ขอถวายการาบให้กับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาในการขอขมาลาเท่ทเากันบูชาประสงค์ตัดว่า การที่เห็นโทษของตนเองและขอขมานี้จะทําให้พระเทวทัตนี้ยังมีโอกาสที่อยา ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะบรมนุย์เป็นพระพุทธพระปฏิจพคุปตเจ้าได้ต่อไปแต่ต้องไม่ใช้กรรมในในในรกก่อนเพราะได้กระทําอ น, นันตฤกษ์กรรมกรรมที่หนักอย่างยิ่งก่อนหลังจากพ้นมาแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และบําเพ็ญจนได้บรรลุเป็นพระปจิจจคุปตเจ้าต่อไป นี่คือผลของการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับอุดมปราราสมาธิกับอภิญญาต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้นําไปสู่การดั บ, ดบความทุกข์ดับกิเลสได้กลับไปทำสร้างความหลงโมหาวิชาให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปทำให้มีความโลภความโกรธเพิ่มมากขึ้นไปนั้งผู้ปฏิบัติจำนามธรรมถ้ามี ม, มีมีความสามารถที่จะเข้าสู่สมาธิแบบนี้ได้ต้องดึงมันกลับพอมันจะออกไปปต้องดึงมันกลับมาด้วยสติให้กลับมาอยู่ในอัปนาสมาธิให้อยู่นิ่งเฉยกับอุเบกขาให้ได้อย่าปล่อยให้ออกไปรับรู้เรื่องราววิเศษตามม่างๆเพราะจะทําให้เสียเวลาจะทําให้หลงจะไม่สามารถจเจริญนปัญญาได้เอาจากสมาธิมาก็จะไม่มีกําลังที่จะมาพิจารณาไตรักษพิจารณาสุภาสได้ ก็เลยแต่ถ้าแต่ีก um, ็โชคดีเห็นเท่าที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นั่นว่าคนที่มีคามสามารถที่จะมีเยปญญานี้มีน้อยมากน้อยคนนี่อาจจะมีเพียงหคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างนี้แล้วก็ต้องระวังก็แล้วกันเพราะมันเป็นธรรมระดับสมาธิและเป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนวิปัสสนาด้วยนอย่าไปเล่นกับมันถ้ามี ถ้ามีความสามารถเข้าถึงได้วางไม่เฉยเฉยก่อนอย่าไปยุ่งมามันก่นไว้รอให้ฆ่ากิเลสให้หมดก่อนให้บรรลุถึงนี้ผ่านก่อนแล้วทีนี้เอามาใช้ได้อยากจะอ่านใจใครก็อ่านได้อยากจะระลึกชาติก็ระลึกได้นี่อันนี้เราจะสามารถทําให้เผยแผ่ธรรมะได้อย่างกว้างขวางเพระจะรู้ใจของคนฝั่งว่าตอนนี้เขากําลังติดอยู่ที่ตรงไหน เราก็สามารถที่จะชี้แนะแนวทาการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนั่นเองไม่ต้องไม่ต้องสูญสูญสี่สูญห้าชนะี้ชี้ประเด็นได้เลยว่าคุณต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ปั๊บก็มีดวงตา ย, ยานั้นเลยนะงั้นอันนี้ทั่วมีอุปจารสมาธินี้จะสามารถใช้ความสามารถนี้มาช่วยในการเผยแผ่ทําได้โดยอย่างน้อยก็ คุยแพร่ให้กับเทวดาได้ถ้าไม่มีอุประฌาย์สมาธิก็ไม่สามารถติดต่อสอนธรรมะให้แก่พวกเทวด า, าได้หมดนคุณจําดับครับเคยได้ยินว่ามนุษย์เป็นภูมิที่เหมาะแก่การบรรลุธรรมเลยมีความสงสัยว่าเทวดาสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมด้วยการดูจิตได้หรือไม่ครับเทวดาจะปฏิบัติ ด, ด้วยตนนันเองได้ต้องเป็นเทวดาระดับพระสงดาวัน ขึ้นไปเช่นแม่พระพุทธเจ้านี่หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บรรลุเป็นพระส ว, วะนะัสดิบแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปกังวลสอนตอบก็ได้เพราะว่ารู้ทางแนละ้วมีแผนที่นะเห็นอริยาสัจสี่นะรู้มั่งแปดนะเทวดาผู้นั้นพอเป็นพระสวสดาบันแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในภพใดภูมิใดจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ตามนะก็จะบรรลุได้ หรือถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นไปเป็นขั้นระดับพรหมก็ยังสามารถปฏิบัติต่อได้ผู้ที่ขึ้นไปในระดับพรหมารลย์ด้วยปัญญานี้ต่างกับผู้ที่ขึ้นมาด้วยสติเพราะขึ้นมาด้วยสตินี้จะจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะรู้วยแต่สติคอยคุมจิตให้นิ่งสงบเพียงอย่างเดียวแต่ผู้ที่ขึ้นไปขึ้นไปสู่พรหมมรลย์ด้วยการกําจัดการมรมย์ต่างๆได้นี่ยังสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้ เพื่อกำจัดสัมโยทิเบี้ยอยู่อีกข้าขอได้ในในในภพภูมิของพระของทรงเลยโดยที่ไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดในกลางภพไม่ต้องเป็นเทวดาแต่น้บรรลุธรรมในรู้สึกว่าจะมีพรหมโลกอยู่ห้าขั้นด้วยกันอาวิหาปตัดปาไม่เชื่ออะไรต่างนี้ลองคนดูอันนี้จะเป็นที่ที่อยู่ของพระอนาคามีของพระอรียะ ที่ได้บรรลุเป็นผ้านาคามีแล้วก็จะถ้าตายไปก่อนที่บรรลุเป็นผ้ า, าจิตก็จะไปอยู่ในพอบรลุในห้าห้าขั้นนี้อาวิหาอาตัดปาเนี่ยจําไม่ได้เราไม่ค่อยความจําไม่ค่อยดีแล้วก็จะบรรลุธรรมอยู่จะระดับนั้นได้เลยต้องเป็นผ้าเนี่ยผุกคนถ้าเป็นผู้คนธรรมดาอย่างพระอาจารย์ของพระพุทเจ้าสองรูปเนี่ยต้องจําบมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเจอพระพุทธศาสนาด้วย ถ้ากลับมาเกิดนะแล้วเช่นสมมติว่าเป็นพรมอยมื่นปีอเงี้ยแล้วกลับมาเกิดพระจ้า พ, พุทธศาสนานี่นีอายุแค่ห้าพันปะีเท่านี้นเพราะกลับมาเกิดครั้งต่อไปพระพุทธศาสนาก็าอาจจะไม่มีในโลกนี้แนละ้วไม่มีพระอาหารย์มาสัง่งมาสอนก็เหมือนกับยุคที่ท่านตายไปตอนที่ท่านตายไปก็ไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็จะมาติดอยู่ที่เดิมนะ เ, นนเนนต็นท์อนที่เดิมทําได้อย่างมากก็ขั้นรูปประชานะรูปประชานั้น คุณสวัสนี่ครับการสร้างพระพุทธรูปไปประดิษฐานตามสถานที่อันเป็นมงคลต่างๆถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือไม่คะไม่ครับอย่างที่ได้บอกแนละ้วการสืบก้อนที่สืบทอดในการศึกษาปฏิบัติปณุแล้วก็เผยแผร่ดาวรัตว์ถุนนี้ไม่จําเป็นต้องมีแต่ก็ไม่ห้ามถ้าอยากจะสร้างก็สร้างได้แต่อย่าไปหลงประเด็นอยากจะยกตัวอย่าง น, นะครับอย่างโรงพยาบาลบ้านไลายแพทย์เนี่ย ที่ศิริราชเนี่ยถ้ามีแต่สร้างอาคารซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้เนี่ยแต่ไม่มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เลยเนี่ยพอพวกอาจารย์หมอทั้งหลายที่อยู่มีอยู่ตอ น, นตายไปหมดเนี่ยเราจะมีใครมามาม า, ม า, ม, ามาทำหน้าที่แท น, นใช่ไหมถึงแม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดมีอาคารเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีบุ ค, บ ค, คลากรทางแพทย์เนี่ย แล้วจะมาสามารถทำหน้าที่รักษาโลกภยัยไข้เจ็บได้หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันสมัยนี้เราบ้าสร้างวัตถุตนะ่างๆสร้างอุปสร้างอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของศาสนาสร้างโบสถ์สร้างเจดีส ร, JD, สร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆเป็นไม่หมดเลยแต่ไม่สร้างพระอริยบุคคลเลยแล้วถ้าเกิดพระไม่มีพระอริยบุคคลต่อไปของเหลานี้สามารถที่จะสอนอนุชนรุ่นหลังให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ ไม่ได้่ะศาสนาก็จะต้องหมดไปเนี่ยที่ทุกวันนี้มันค่อยๆหมดไปเพราะการศึกษาการปฏิบัติการรรู้ธรรมมันน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้ฐานจริงๆครับเราเมืางยชาวพุทธเราตามตามตามกฎ ต, ตามอะไรตามที่สร้างกันตามตะเรียนก็แล้วกันก็นกับถือาศาสนาพุทธ90เปอร์เซ็นต์เนี่ย90กว่าใช่ไหมทั้ง ไ, ไป70ล้านคนก็ มีเป็นพูดธหกสิบกล้านคนหกสิบล้านแล้วในหกสิบล้านเนี่ยมีใครบรรลุธรรมได้บ้างมีท่าอายุยับุคคลได้ทั้กี่คนอายุยับุคคลในเมืองไทยนี่มีถึงหมื่นหรือเปล่าถึงพันหรือเปล่าอันนี้ก็ทําให้เราหน้าคิดบมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะต่อไปอาจจะลดลงมาจากหน่วยงานจะเหลือแค่ระดับพันจากระดับพันก็อาจจะเหลือแค่ระดับ 1, 000, รบ 1, 000, าอาจจ้อย เพราะสมัยนี้บวกันน้อยเหลือเกินบวชก็บวชมันวิธีบวชเช้าเียนสึกกันใช่มเมื่อบวชเมื่อก่อนยังพอจะบวชสามเดือนได้เข้าพรรษาได้แต่ยุคนี้วัตถุวัตถุนิยมจเจริญ ม, มากต้องทำอาหากินต้องหาเงินหาทองกันมากอันนี้ลาบวชได้แค่เจ็วันเพราะทำงานนี่จะจะรายาวก็ไม่ได้ลาได้อย่างมากก็เจ็วัน ดัน้นต่อไปเลยก็ถ้าไม่มีการบวชการศึกษาไม่มีการปฏิบัติศาสนาจะเหลืออยู่ที่ตรงไหนก็เหลืออยู่ที่โบสถ์เจดีย์ที่เราสร้างกันนั่นเองแล้วเวลาเรามีความทุกข์เราไปกราบโบสถกราบเจดีย์แล้วทําให้เราหายทุกข์ได้ปะ่ะอาจารย์เปรียบเทียบชัดเลยครับกับเรื่องโรงพยาบา ล, ลครับ <c oughs> ครับคุณอาทิชาครับพระอาจารย์คะกรรมฐานคืออะไรคะ แล้วสามารถทํากรรมฐานอย่างไรคะกรรมฐานคืออารมณ์หรือวัตถุที่เราใช้ในการกํากับจิตใจผูกจิตใจไว้ไม่ให้จิตใจลอยไปตามกระแสของความคามิดปรุงแต่งที่มีในใจใ จ, ใจกระแสของความคิดปรุงแต่งในใจเรานี้ก็เหมือนกับกระแสน้ําในลำธานในแม่น้ําเวลาที่เราจะจอดเรือให้ให้เรืออยู่นิ่งๆเราต้องทําอย่างไรเราต้องทอดสมอใช่ไหม หรือถ้าไม่ทอดสมองเราก็ต้องเทียบท่าจอเทียบท่าแล้วก็เอาเชือกผูกมั่นกับท่าเรือไว้เรือจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสนะครรมฐานก็เป็นเหมือนสมอเงอ็เป็นเหมือนท่าที่เราใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความที่ถึงแต่เพราะถ้าเราปล่อยให้หลายไปใจเราก็จะไม่มีวันสงบไม่มีวันนิ่งไม่มีวันเย็นไม่มีความสงบ ความสุขที่เราหาก็การเป็ความสุขปลอมไปหมดความสุขที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งคิดว่าอันนู่นดีอันนี่ดีก็ไปหาได้มาปุ๊บก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวก็หมดไปโดยไม่เคยพบกับคามสุขที่แท้จริงสักครั้งถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราต้องทใใํงไไาทจทใจให้นิ่งได้การที่จะทําใจให้นิ่งได้ต้องมีอะไรถูกใจไว้เพราะใจเป็นเหมือนเรือที่ไหลที่ลอยอยู่บนกระแสน้ํา กระแสหน้าของใจก็คือความคิดปุ่มแต่งนี่คิดได้ตั้งแต่ตื่นมาจนเดี๋ยวนี้หยุดคิดกันหรือเปล่าทั้งวันเนี้ยมันนี้ยกตัวอย่างเนี้ยตั้งแต่คุณตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมานี้ก็เริ่มคิดใช่ไหมจนถึงวันนี้คุณหยุดคิดตั้งหรือเปล่าไม่เคยไม่หยุดเลยไม่เคยเจอความสงบที่ความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตได้ที่พุทธเจ้าสงังเกตว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงนะครับถ้าเราอยากจะพบกับความสุขวันนี้เราต้องมีกรรมฐานนี่ กรรมฐานที่พุทธเจ้าเลือกในพระไตรปิฎกนี้ไม่ทราบคงจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงแ ส, สดงไว้สี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถเอามาผูกใจไว้ไม่ให้ใจลลอยแต่ที่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นส่วนใหญ่ก็คือพุทธานุสติและอานาปนสติพุทธานุสติก็คือให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าเช่นคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเราสามารถทําพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นมา เราก็จะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้เพราะถ้าเราอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความคิดอันเดียวกันนี้ไปคิดนั่นเองถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองไม่ได้ถ้าเอาความคิดไปใช้กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็มาพุโทโธไม่ได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่อยากจะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็ต้องมีกรรมฐานมาปลุกใจไว้ เราก็ต้องมีเวลาที่จะอามามาปฏิบัติคือต้องเอาเวลาที่ว่างจากการทำพาราเกติธรราะกินบบต่างๆนั่นเองคือมาเอาวันหยุดทํางานนี้ยกตัวอย่างแล้วก็ไปหาที่ไม่มีอะไรมาวุ่นวายแล้วคนใ จ, น, จนล้วก็เจริญสติให้อยู่กับกรรมฐานบวชได้บวชหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันแล้วเวลานั่งก็ดูลมหายใจก็ได้หรือจะพุโทโธต่อไปก็ได้ ถ้าสามารถมี ม, มีพุโทโธกำกับใจอยู่เรื่อยเรื่อความคิด ต, ตูแตก่าลดน้อยถอยลงไปแล้วจะนิ่งสงบได้ไม่ชากเกยพอความคิดหยุดแล้วก็จะพบกับความสุขอันมหัจจัใจที่เรื่องความสุขที่เกิดจากสมาธินี่นะี่แหละคือกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยการลองค้นหาดูใน Google ก็ได้เขียนเข้าไปกรรมฐานสี่สิบแบ่งไว้เป็นสามสี่หมวดใหญ่ๆ เรียกว่าบวแรกเรียกว่าอนุสติสิทธิ์เช่นเราเลึกถึงสิ่งตา่างๆเราเลือกถึงว่าถุธรรมประสงค์เราลืกถึงลมหายใจเราเลืกถึงความตายนี่เรียกว่านุสติแล้ะก็มีอสุภาสิทธิ์จดูซากศพสิบชนิดด้วยกันอันนี้สําหรับจิตที่สูงแนละ้วจิตที่ที่สูงกว่าผู้เริ่มตน้นผู้นริ่มต้นนี้ไม่สามารถใช้กรรมฐานแบบนี้ได้เพราะมันมันแรงเกินไปเหมืน อ, ยอยมนยายาแรงต่างๆ สำหรับเด็กเด็กนี้ต้องกินยาหวานก่อนกินยาขมไม่ได้อสุภานี้สำหรับผู้ที่มีสมาธิบ้างแล้วถึงจะสามารถจจริญได้แล้วก็มีกระสินสิบแล้วก็มีมีพรมวิหารสี่มีธาตุสี่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาหนึ่งและอะไรอีกหนึ่งอันเนี่ยรวมกันก็จะเป็นสี่สิบกรรมฐานแต่สำหรับผู้ที่เริ่มเริ่มต้นใหม่นี้เอาแค่อนุสติก่อน คือพุทธานุสติเช่นเราสวดมนต์ทำวัดนี่ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือให้ใจเราจดจ่อคิดถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดกุ่มแต่การไหว้พระสวดมนนี้ก็เป็นการเจริญกรรมฐานแบบแต่เราไม่ได้ว่าเป็นการเจริญกรรมฐานเราเรียกว่าทำวัดคือทำกิจวัตรของชาวพุทธเราคือเราคิดว่าเราทําเพื่อกลาวว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ควจริงเร า, เาเรกําลังเจริญกรรมฐานจเจริญสติเพื่อทําให้เรามีสติเพื่อที่เราจะได้หลังจากที่เราได้จเจริญทบทวพระธรรมประสงค์นะเราจะได้นั่งสมาธิต่อได้ดูลองหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพื่อทำใจให้นิ่งสงบเป็นสมาธิให้มีความสุขเกิดขึ้นมาในใจของเราเอง คุณชยพาครับขอถามค่ะเรื่องบ้านทางสามแพ่งคิดจะซื้อบ้านค่ะเป็นทางสามแพ่งพอดีจะอยู่ดีไหมคะคนโบราณบอกเป็นทางผีผ่านค่ะกลัวอยู่แล้วจะไม่ดีค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะไม่เกี่ยวห้วยเรื่องเรื่องบ้านนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมอนะไรกันอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องทางด้านอ ะ, อะไรความความเหมาะสมความปลอดภัยอะไรต่าง ไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของผีเรื่องอะไรแต่เรื่องเรื่องมงคลเรื่องไม่มงคลในมงคลสามสิบแปดนี้ไม่ได้ศึ้นสว่าการการการอยู่บ้านทางสามแท่งนี้เป็นไม่เป็นมงคลไม่มีไม่มีสนอเสนอไอันนี้เป็นความเชื่อของของศาสตร์ทางอื่นครับศาสตาหอื่นก็จะเชื่อนี้เราก็ไม่ไปปฏิเสธไม่ไม่ไม่ไปก้าวไก่ด้วยแต่เราทางศาสนานี้ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญ ประเด็นสำคัญว่าอยู่นับปลอดภัยหรือไม่สะดวกหรือไม่อะไรทันยองนี้มากแให้ให้เน้นดูกรยภาพทางความปลอดภัยทางความสะดวกแล้วก็เพื่อสุขภาพของเราก็ได้อยว่าอยู่แบบบ้านตรงนี้ดีทำให้สุขภาพเราดีปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆหรือไปอยู่ใกล้โรงงานมีควันพิษมีอะไรต่างๆ หรือไปอยู่สถานที่มัใกล้สถานบันเทิงมีการส่งเสียงดังอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์อเอาเพื่อประโยชน์สุดทางทางกายภาพขอาทางร่างกายของเราแต่ทางจิตใจนี้มันก็ไม่ไม่แบบทางจิตใจนี้ก็เราก็เน้นที่สถานที่สงบก็อยากจะให้จิตใจเราสุขสบายก็หาที่มันสงบเงียอ คุณวิทยพิสิทธิ์ครับกราบถามพระอาจารย์ครับผมภาวนาแล้วตึงหมุนที่หน้าผากเวลานั่งสมาธิแล้วมันตึงมากเหมือนมีแรงดันอัดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่หน้าผากและหว่างคิ้วแบบนี้ผมทําสมาธิผิดไหมครับควรแก้ไขอย่างไรดีครับกราบขอบพระคุณครับนั่งแบบนั้นครับว่านั่งสมาธินี่มันเป็นคําที่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนการนั่งสมาธินี่ต้องมีสติกํากับใจเช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่องดูลงหายใจเข้า ถ้ามีการบริการอยู่มีการดูแลอาจารย์อยู่อาการกต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วนั่งแล้วไปคิดถึงเรื่องนูน้นเรื่อนี้อันนี้มันก็จะทําให้อาการกต่างๆปรากฏขึ้นมาได้เห็นการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนี้ต้องมีอารมณ์มีกรรมฐานกํากับใจเช่นมีอาณาปณะสติหรือมีพุทธานุสติไว้คอยกํากับใจ คุณแต้วครับในระหว่างที่เราฟังธรรมเราสวดมนต์ไปด้วยได้หรือไม่คะไม่ครัวนะว่ามันทำสองเรื่องชนกันแล้วมันจะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งสองนั้นฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ใจก็ไม่ไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะสวดมนต์ก็ไม่ต้องฟังธรรมถ้าอยากจะฟังธรรมก็ไม่ต้องสวดมนต์คุณปรีดีครับขอถามค่ะดิฉันทําบุญโอนเงินออนไลน์จากชื่อบัญชีดิฉันนะคะ เราสองคนสามีภรรยาใช้เงินกระเป๋าเดียวกันค่ะแต่สามีรับทราบลูกชายรู้และพวกเขาก็อัมโมทนาบุญตลอดอย่างนี้พวกเขาได้บุญไหมคะขอบคุณค่ะถ้าก็เป็นเจ้าของเงินเขาก็ได้บุญแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเขาไม่ได้บุญเพราะว่ามันเขาไม่ได้เสียสละอะไรไปเช่นลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นของลูกเพียงแต่ว่าลูกอาจจะได้อุมโมทนาได้ความสุขจากการที่ยินดีกับการทําบุญของพ่อของแม่ คุณพิชัยครับนรกสวรรค์มีจริงๆรไหมครับมีอยู่ในใจเราไงเวลาเรามีความสุขเราเรียกว่าสวรรค์เวลาเรามีความทุกข์เราเรียกว่านรกเวลาที่เราตายไปใจเรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะสุขหรือจะทุกข์เวลามันสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์เวลามันทุกข์เราก็เรียกว่านรกแล้วมันจะสุขหรือจะทุกข์เป็นกระลายาวนานด้วยเพราะกำลังมันเพราะว่าไม่มีสิ่งอะไรที่จะมาลบล้างมันได้ตอนที่เราตาย ม่เหนตอนที่เราอยู่วันนี้เราทุกข์เดี๋ยวเราไปทไํ า, อ, า, ทนน า, าทอะไรอย่างอื่นปั๊บเราก็หายทุกข์ได้วันนี้เราสุขแล้วเราไปทําอะไรอย่างอื่นเยอะความสุขกาหายได้ขณะที่เราอยู่นี้สุขทุกข์มันเป็นของชั่วครับชั่วคราวแพบปไปแพ็บมาแต่เวลาตายนี่สุขทุกข์มันจะยาวเพราะว่าผู้ที่ส่งให้เราเกิดความสุขความทุกข์คือกรรมที่เราทํากรรมดีก็จะทาให้จิตเราผลิตความสุขขึ้นครับกรรม กรรมชั่วก็จะทําให้จิตใจเราผลิตความทุกข์ขึ้นมาแล้วกรรมเหล่านี้มันมีสะสมไในใจเรามามากเพราะเราทํากรรมเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดจนถึงเราเวลาเราตายไปใพอเวลาเราตายไปไอ้ตัวกรรมสองตัวนี้แล้วแต่ว่าตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะเป็นผู้ที่จะส่งผลให้ใจเราสุขหรือทุกข์ถ้าบาปกรรมมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์แล้ก็มีวัตรนารกหรืออบาย ถ้าถ้าสุขถ้าบุญส่งให้เราให้เราให้จิตใจเราสนับสนุนจิตใจเราเราก็จะมีความสุขใจเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาชั้นต่างๆสุขมากสุขน้อยคุณพุทธนันท์ครับกราบถามพระอาจารย์ค่ะแม่ชีและอุบาสิกาแตกต่างกันด้านปฏิบัติตนต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรคะ คือแม่ชีนี้เขาก็พยายามปฏิบัติตามพระถ้า แ, แม่ชีจริงๆนี่แม่ชีจะอยู่วัดกันแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เหมือนพระให้ได้มากที่สุดมันแหกตึงกลับออกปิณฑบาตได้น้ามีศรัทธาก็ยินดีใส่บาตก็ไม่มีข้อห้ า, ามทางศาสนาคือสมัยก่อนนี้มีภิกษุณีนะยุคมีภิกษุณีนี่หายสาบสูญไปแล้วไม่สามารถรื้ฟื้นกลับขึ้นมาได้ ก็เลยมีหน้าชีขึ้นมาแทนแต่แม่ชีนี้ก็ในระดับศีลก็รักษาเพียงศีลสิบหรือศีลแปดแต่ก็พอเพียงต่อการปฏิบัติเพื่อมากกว่นี้ไปได้เช่นเดียวกับพระที่เพราะข้อศีลข้อใหญ่ๆนี้ของพระกับของแม่ชีก็เหมือนกันแต่ศีลข้ออื่นนี้เป็นระเบียบมากกว่าคือการการอยู่การกินการอยู่การทําอะไรให้มันสุภาพเรียบร้อยสวยงาม อนี้เป็นศีลของพระซึ่งเป็นกฎระเบียบมากกว่าเป็นเป็นการกระทาําทางที่จะเป็นบาสนีนะแต่ศีลที่เป็นบาปกรรมใหญ่ๆนี่เหมือนกันเช่นพระศีลหนักๆ ก, ก็มีสี่ข้อท่านเองเวราชิกศีนี่ย่งถ้าแมถ้าแม่ชีถือศีลแปดศีลสิบก็ก็เหมือนกับพระนะผู้ตามความจริงแต่อาจจะไม่มีระเบียบ ที่สอนให้แม่ชีทําตัวให้สวยงามอะไรต่างๆเหมือนกับพระอย่างมันแม่ชีนี้ไม่แตกต่างแต่สมัยนี้มีการบวชแม่ชีแบบแม่ชีอยู่บ้านกันคือแม่ชีนี้ใครจะบวชเองก็ได้เพียงแต่กอดศรีรษะนุ่งขาวห่มขาวแล้วถือศีลแปดศีลก็เป็นแม่ชีไดนะ้บางคนก็อยากจะถือศีลแปดแล้วก็กอดศรีรษะนุ่งขาวห่มขาวเขาก็เป็นแม่ชีแต่ก็ยังมีภาระเช่นเลี้ยงูกอยู่ ต้องยังขับรถไปสง่งลูกไปโรงเรียนอยู่ขับรถไปไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ออาหารมาเลี้ยง ต, ตอนเองอยู่แต่เขาก็เป็นแม่ชีเหมือนกันเพราะเขาก็โปรเจสาได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นแม่ชีทางการนี้ต้องมีการรับรองจากสถาบันแม่ชีในประเทศไทยนี่ท่านรู้ปล่าว่ามีสถาบันแม่ชีด้วย ที่ผู้ที่เกี่ยการยะบวชเป็นแม่ชีตามกฎระเบียบของสถาบันนี้ต้องได้รับการรับรองจากสถาบั น, นแม่ชีด้วยมันเป็นค้นหาดูมีอยู่มัน <ขอ S 2> จะมีกฎระเบียบมีการขั้นตอนการบวช ด, ด้วยต้องบวชที่ไหนกับใครอย่างไรน่ต้องอยู่ศึกษากับใครหรือเปล่ามีครูมีอาจารย์มีอะไรเหมือนกับพระเลยยิ่งแม่ชีเนี่ยจึงมีหลายรูปแบบด้วยกัน แม่ชีที่เป็นอุบาสิกาก็มีเยอะแยะเป็นจากต่างกันตรงที่โคนสีสันอุบาสิกานี้เขาไม่โครสีสันแต่เขาา จ, จะนุ่งขาวห่มขาวหรืออาจจะอ า, อาจจะนุ่งดำห่มขาวก็ได้าาก็เป็นอุบาสิกานั่นคุณภิรัตครับผมพยายามนั่งสมาธิแต่นั่งไม่ได้นานครับเทคนิคต้องทําอย่างไรแล้วจุดประสงค์ที่หายไปครับอออเพราะสติเรายัางมีน้อยนั่ น, นเองล้วต้องฝึกสติให้มากมากก่อนขึ้นมานั่ง ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมานั่งได้เลยเหมือนกับการที่เราจะาไปสอบอะไรนี้ถ้าเราไม่เตรียมดูหนังสือก่อนเราไปสอบมันก็ตกเท่านั้นแะละใช่ไหมเช่นเราบอกพรุ่งนี้มีการสอบรับข้าราชการระดับ C8 นี้คุณอยากจะอยากจะได้ C8 คุณก็ไปสอบเลยโดยที่ไม่ได้ไปเตรียมตัวศึกษาไว้ก่อนนี่พอไปสอบมันก็ตกนะเนี่นยคุณไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรแล้พอก็ถามคุณก็ตอบก็ไม่ได้ เพราะคุไม่ได้เตรียมตัวไว้ไดังนั้นการนั่งสมาธิก็ต้องมีการเตรียมการก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่จูๆ่ๆเขามานั่งเลยนั่ก็จะหวังให้จิตสงบได้เลยมันต้องเตรียมการก่อนต้องมีสติก่อนนั่นเองเราต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดให้ใจเราไม่เผลอลไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆใจเพียงสัตว์แต่ว่ารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการทําอะไรต่างๆของร่างกายอันนี้นะ่ะถ้าเราสามารถมีสติได้อย่างต่อเ น, นื่อง ทีว่าสัมปัตชัญญาพอเรามานั่งเราก็ให้นั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราสามารถคูมใจให้อยู่และการดูลมหายใจออก็ได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นาน5นาทีจินแล้วก็สงบได้แต่ถ้านั่งไปแล้วดูลมนัแ่แค่วัดเดียว 2-3 ไม่นานทีไปแนะคิดถึงเรื่องนั้ น, น, นคิดถึงเรื่องนี้นนนแลนะเดี๋ยวา5นาทีกลับมาดูลมอีก 2, 2อีก2นิ้วแล้วออกไปใหม่ ทำนี้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ดังนั้นต้องฝึกสติให้มากมา ก, ก่อนถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิคุณจิดาภาครับกาบนวัศการปุจชาค่ะในเวลาเดินจงกรมแล้วเกิดภาวะจิตตกต้องแก้อย่างไรคะเพราะจะยาวมาถึงตอนนั่งสมาธิด้วยขากาบขอประคุณค่ะแก้โดยการมีสติสิจิตตกก็เพราะไม่มีสติมันไม่มีการดูแลจิตมันก็มันต้องตกมาสิ ถ้ามีสติมีพุโทโธอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเราไม่ตกหรอกนี้ในวันเดินแบบใจลอยเดิแล้วก็คิดกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยตกสลยมันก็เสียมันก็เศร้าใจมีตกกังวลขึ้นมาสารพัดสารเพย์เพราะไม่มีจิตควบคุมความคิดไม่มีสติควบคุมความคิดภูมิใจนั่นเองในเวลาเดินต้องมีสติควบคุมเช่นมีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้มีสติอยู่กับเท้าที่เราเดินก็ได้ ถ้าเราคอยเศ้าดูท้าเราเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้ า, าพูดทัวพูดทัวรไปเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เมื่อไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันจิตมันก็จะไม่ตกใจจิตมันก็จะรอยจะเบาจะสบายจะเย็นจะมีความสุขคุณบุญเกิดครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับการถวายปัจจัยใส่บาทถือว่าสมควรไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าไม่ควรเอาเงินใส่บาทครับก็แล้วแต่ว่าพระท่านมีอยู่สอง สองกลุ่มด้วยกันด้วยสองนิกายอรนิกายหนึ่งท่านนี้ท่านรับบาตรท่านรับเงินทองได้จะถวายกับเมย์ก็น่าจะใส่บาตรใส่ยางให้กับท่านก็ได้ส่วนพระอานิกายหนึ่งนี้ท่านจะไม่รับเงินทองกับเมย์จะให้ราบไว้กับรูปศิษย์ของท่านเพราะพระวินัยไม่อนุ ญ, ญาตให้พระจับตั้งเงินทองได้เลยตอนนี้ คุณพนิดาครับหลายปีผ่านมาแล้วแต่บางครั้งยังหวนนึกถึงเรื่องลูกสุนัขของที่บ้านที่พาไปรักษาแล้วตายค่ะยังรู้สึกผิดยังคิดว่าถ้าเราไม่พาไปรักษาน้องอาจจะยังอยู่หนูควรวางใจยังไงกับเรื่องนี้ดีคะภาพลูกหมา ย, ยังติดตาเรื่องยังติดใจค่ะขอบคุณค่ะผมคิดไปจนวันตายลูกหมามันก็ไม่ฟื้นอย่างเดียวคิดให้เสียเวลาทำลํำไมมันผ่านไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วอดีตเป็นเหมือนความฝัน เราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนมันได้เราเอาใจเรามาอยู่ปัจจุบันปัจจุบันด้วยการมีสติระมันม่นระวังการกระทําต่างๆของเราดีกว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ซ้ํารอยครั้งหนึ่งเราก็จะได้ทํําทาให้มันถูกต้องได้มีบาร์ที่จะไปกังวลกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเอ า, วาอดีตมาเป็นบทเรียนได้ว่าเราทําผิดพลาดอย่างไรแล้วเราก็เตรียมตัวไว้เกิดมีเหตุการณ์ซ้ําๆจะได้ไม่เป็นปอดซ้ํารอย เราจะได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะถามตอไปคุณวรพง์ครับเรียนถามพระอาจารย์การดื่มสุราถือว่าเป็นอบายามุกและผิดศีน5ห้าเป็นบาปด้วยใช่ไหมครับคือมจริงมันไม่บาปถ้าเราดื่มแล้วเราไปนอนนี่มันก็ไม่ไปทำให้คนอื่นเสียอะไรแต่ถ้าเร า, าเมาแล้วขับนี่มันก็อาจจะทำให้คนตายได้คนเห่นตายได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดบาปมากมายทีนี้ เงินชรานี่ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเราเดือดแล้วเราไปทำอะไรต่อเดือดแล้วไปรักษามงคล น, คนี่จะทําจะทําบาปนี่ต้องเดือดชลาย้อมใจก่อนเงินใจยังไม่กล้าใจยังมีความละอายแต่พอได้เดือดเดือดชลายแล้วใจมันด้านพอใจด้านมันก็เลยกล้าทําบาปได้คุณดาวครับขอถามครับการสวดมนต์ถ้าคนไม่มีบารมีห้ามสวดมหาจากกักรพรรดิจริงหรือเปล่าคะ ไม่จริงหรอขอให้มีมีกำลังสวดเท่านั้นสวดได้ทุกบทขอให้มีกำลังสวดจะสวดนบนไหนก็ได้คุณทางที่ดีครับการทำน้ำมนต์การทำของขลังและอื่นๆเป็นเดรัจฉานวิชาใหม่ครับแล้วประเพณีที่สืบทอดกันมาตามวัดต่างๆบางอาจารย์ท่านสอนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนและควรวางตัวอย่างไรครับเราก็ไม่รู้ความหมายของคาว่าเดรัจฉานวิชาว่ามีขอบเขตในพิม มากน้อยเพียงไรนะยในทางพระพุทธศาสนานี้การทําน้ำมนต์นี้ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ที่ได้ทํากันมาอย่างต่อเ น, นื่องมาแล้วค่ะแล้ก็ไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายไม่เกิดทําให้มีความหลงไหลเพียงอย่างใดไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะแต่ในคนบอกว่านะแม่แต่พระพุทธเจ้าก็เคยทําทําน้ำ ม, มนต์คกหนึ่งเมื่อมีมีปัญหา โรคระบาดหรื อ, อะไรไม่ทราบแล้วก็ส่งทำน้ำมนต์นี้ก็ไม่ทราบนะว่าเป็นความความจริงหรือไม่แต่เคยได้ยินคนที่เขาสนับสนุนเรื่องการทำน้ำมนต์เขาอ้างมาแต่ท่านท่านผู้ใดรู้ก็ช่วยบอกมาด้วยอ่าจจะเป็นเพื่อทางด้านจิตวิทยามากกว่าเพราะคนต้องการที่พึ่งแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไรบอกให้พึ่งกรรม ก, ก็ก็ทําใจไม่ได้ก็เลยให้น้ํามนต์ไป เราได้น้ำมนต์ไปป่าพมศีรษะหนังก็รู้สึกว่ามีอะไระามาปกป้องคุ้มครองทําให้ใจสบายขึ้นมาก็ได้ถึงแม้ว่าภัยจะป้องกันไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทําให้ใจหายทุกได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเป็นแบบเพนีของศาสนาเวลามีมีภัยอะไรต่างๆก็อาจจะทําทํำน้ำมนแจกกันเพื่อให้มีความทําให้ใจ kidding, มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญ เรางดดับความกลัวความทุกข์ต่างๆไปได้ชั่วคราวเรือร่อง ร, ร, ระดับหนึ่งถ้าทำแบบนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนครับคุณต้อมครับกลาวธรรมสกา ร, การพระอาจารย์ครับเรียนสอบถามพระอาจารย์การสวดมนต์ทุกวันทุกวันได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าส่วนส่วนแบบไหนส่วนดบบใจรอยหรือส่วนแบบใจนิง่งถ้าสวดแล้วใจนิ่งก็ได้บุญความนิ่งสงบของใจก็เป็นบุญอย่าง ถ้าสวดแวใจลอยไม่รู้สึกอะไรแตกต่างจากการเริ่มตั้งแต่ตอนที่เริ่มสวดกับการที่สวดเสร็จแล้วเหมือนเดิ ม, ดมก็ไม่ได้บุญเลยต้องดูที่ใจเราเป็นแบบบุญอยู่ที่ใจเราถ้าสวดแล้วใจเราเย็นสบายมีความสุขมากกว่าตอนที่เราเริ่มสวดนี่ก็ถือว่าได้บุญนะแต่ถ้าสวดไปสวดเสร็จแล้วใจเราก็เหมือนเดิมก่อนสวดก็เป็นแบบนี้หลังจากสวดเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะมันมันก็ไม่ได้บุญนะ คุณภาคเหนือภาคอีสานครับการน้ำระสการพระอาจารย์ครับเรื่องนี้สัตว์ลูกผู้ชายที่จะบวชแทนคุณพ่อแม่แต่ถ้าพ่อบิดาเราบวชพระหลังลูกชายลูกชายสามารถดูแลพระพ่อที่อ่อนพรรษาอย่างกระตันยูได้ไหมครับได้ได้พรรษานี้ไม่ได้ห้ามให้เรามีควากระตันยูคุณปู คุณปูครับกาดธรรมกา ร, ร, การเรียนถามว่าถ้ามีพระสงฆ์ถอดจีวรเปลี่ยนชุดคารวาสไปนั่งร้านอาหารดื่มเบียร์อยากทราบว่าสถานะยังเป็นนักบวชอยู่หรือไม่เจ้าคะ <c oughs> ถ้าเป็นาทางเขาคงยังไม่เสิร์ฟน้าไวา้กินใช่ไหมพอเจอนนี้เขก็เป็นแล้วเขาก็เป็นค <c oughs> <c oughs> ารวาสแล้วอะเป็นแต่ละข้าวหน้าด้านนี่พอเขาพอเข้าเดืเ ม, มาเสร็จแล้วเขากลับมาวพระชุบพระสงฆ่อยหนึ่ง ก็เป็นเหมือนกับอะไรไม่ทราบสัตว์ที่มันเปลี่ยนสีเอ่ะครับผมยิงกาหรือยิงเกยที่มันเปลี่ยนสีได้ <c oughs> คุณน้ำครับถามพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาเรานั่งสมาธิอยู่เกิดอาการรู้สึกจิตแยกเป็นสองจิตร่างกายรู้สึกตัวอยู่เป็นแบบนี้มาถูกทางไหมค้าขอคําแนะนําค่ะคือจิตแยกเป็นสองจิตไม่ได้จิตก็เป็นจิตเดียว แต่จิตแยกออกจากร่างกายได้รู้สึกว่าร่างกายหายไปจากความรู้สึกอันนี้ก็ได้รือรู้สึกว่าร่างกายนี้แข็งทื่อเป็นเหมือนท่านม้าท่านเผลไปแล้วจิตเป็นผู้รู้ร่างกายสภาพของร่างกายอย่เป็นได้อยูแต่จิตแยกเป็นสองจิตไม่ได้นะทาความเข้าใจไว้จิตแยกออกจากกายได้มองเห็นชว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละคนเป็นไปได้ คุณสมพรครับน้องกราบปุญฉาพระอาจารย์การอาศัยอยู่กับครอบครัวต้องใช้ธรรมะข้อใดครับก็มีหลายข้อด้วยกันแต่พืรร้นฐานก็ใช้เมตชั่นรหมวิหารสี่ก็ได้เมตตากรุณามเมตตาเรุณาเมตตาก็คือมิตรเป็นมิตรกับทุกคนในว่าไม่ไม่ถือโทษกดเคืงกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันให้อภัยกันแล้วถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันเขาเราียกว่ากรุณา ถ้าเขาได้ดดได้ดีก็แสดงความดีดีกับเขาเช่นจบปริญญาได้ ง, งา น, นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำไหน่เราก็แสดงมุ่งดูตาจิตกับรถ้าเกิดเขาไปทำอะไรเสียหายกับตัวเขาเองต้องไปติดคุกติดตารางเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราก็ทำใจเฉยเฉอย่าไปทุกข์กับเขาเรียว่าใช้อุเบกขาคุณเปาครับ ปฏิบัติที่บ้านนานแล้วรู้สึกอยากบวชพิจารณาแล้วว่าถ้าบวชพระจะเรื่องทางโลกได้ไหมจึงลองปฏิบัติที่บ้านพอสมควรติดตรงพ่อไม่อนุญาตอยากให้ไปมีครอบครัวเพราะเป็นลูกคนเดียวขอคําแนะนําจากท่านพระอาจารย์ครับถ้าเราอยากจะบวชจริงๆไม่มีอะไรมาขัดเราได้ครับมีบายวิธีคิดเอาเองก็แล้วกันอันนี้ไม่อยากจะไม่จะไม่อยากจะแนะนําแต่ การที่จะสึกพระนี้สึกาพาะโดยที่ท่านโกหกไม่ได้ต้องท่านทำตรงตอนละชิดนอกจากว่าถ้าท่านโกหกแบบว่าอุจริว่าท่านเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์นี้แล้วท่านไม่ได้เป็นจริงเนี้ยเราถึงจะจับสึกได้แต่ท่านโกหกธรรมดานี่นั่งโกหกตอนก่อนที่มาบวชนี่ประจับท่านสึกไม่ได้ครัใช่ไหมคุณหมอใช่ครับ เข้าใจความหมายครับแล้วเสด็จตัวบวชนี่มันเสียหายตรไหนแหละก็เลยกุสโลบายใช่ไหมครับผมก็พระอาจารย์เคยเล่าบอกมีคนที่ไม่ยอมกินข้าวร้องไห้อะไรงานในสารพุทธกาลครับพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวเนี่ยนะแล้วเป็นเสด็จทีถ้าลูกไปบวชก็ไม่มีใครเล่ามาลองแบเสียก็ไม่อยากให้ลูกไปบวชนะแต่ลูกอยากจะบวชก็เลยยอมก็เลยไม่ยินไม่ไม่กินอาหารอดอาหาร บอถ้าไม่ได้บวชก็จะไม่กินอาหารยอบตายในที่สุดพ่อแม่เลยต้องยอบให้บับคุณมือขยันครับการนมัสการครับเวลานั่งภาวนาแล้วเมื่อคําภาวนาหายไปแล้วรู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดแสงสว่างกับพิบรเร็วอันนี้คือจิตเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมครับยังหรออันนี้ก็ก็าจจะเป็น ผลต่าง ๆ, ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผั้นเคียงแต่ไม่ถือว่าเป็นการเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าเป็นสมาธิจริงๆจิตต้องนิ่งสงบว่างเย็นสบายพี่ทอฝันครับขอกลับเรียนสอบถามค่ะคนที่ปฏิบัติทําแล้วแต่ยังควบคุมอารมณ์และสติไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไหมคะก็ยังครัเพราะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมกิเลสได้ แต่ก็ไม่ได้มาคำว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเขายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเนั้นเองเราจะปฏิบัติถูกต้องรักษาศีลเจริญสตินั่งสมาธิศึกษาปัญญาอยู่แต่เดียวว่าเขายังอยู่ยังเป็นขั้นที่ยังไม่สามารถเอามาควบคุมอารมณ์ของเขาได้พอเกิดกิเลสขึ้นมาเขาก็อาจจะลุกโรคแกโทสะลุกแ ก, โ, ก, แกโมหะแสดงอาการไม่สวยงามออกมาได้ คุณเปาท่านเมื่อกี้นะครับบอกถามเพิ่มครับแม่อนุญาตให้บวชเพราะแม่ก็ชอบธรรมะเหมือนกันแต่พ่อไม่ชอบเรื่องแบบนี้ด้วยถ้าจะบวชแต่บอกแค่แม่แต่ไม่บอกพ่อแล้วแอบหนีไปบวชอย่างนี้เป็นบาปไหมครับเป็นบาปแล้วเป็นบวช ด, ดูการกระทําเลยว่าเราไปทําอะไรถ้าเราไปบวชมันเป็นกุศลการบวชเป็นกุศลแต่ถ้าเราโกหกถ้าเราไปต้นธนาคารเนี้อเบาปนั่นไม่ได้อยู่ที่ว่าโกหก หรือไม่บอกบอกหรือไม่บอกอยู่ที่การกระทําของเราว่าเราไปทำอะไรถ้าเราไม่บอกพ่อเราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยมันก็บาปมันก็ไม่ดีนะแต่ถ้าเราไม่บอกพ่อเราไปบวชนี่ก็มันของดีการบวชเป็นของดีมันจะเสียหายตรงไหนอย่างมากก็ทําให้พ่อเสียใจยนิดหน่อยเหมือนพระพุทธเจ้าใน่ไหมพระพุทธเจ้าก็ร่วมบอกพ่อไม่ได้บอกพ่อก็ไปไม่ได้ใช่ไหมต้องหนีออกไปในยามวิกา ตอนนี้คนอื่นนอนหลับกันหมดแล้วเราไปย่อมเยี่ยหบอกไปครับคุณชิคครับหากเราพบว่าคนใกล้ชิดเบียดเบียนผู้อื่นโดยอ้างเหตุจำเป็นของตัวเองโดยพาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เอาเปรียบคนอื่นด้วยเราควรทำอย่างไรดีคะเหตุ <c oughs> เพราะเขาเป็นญาติผู้ใหญ่เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ไม่มากค่ะพราะเราอย่าไป ท, ทาตามเขาเสยคนที่ ช่วงนี้นเราไปทําบาปแล้วอย่าไปทําตอให้เป็นพ่อของเราก็ไม่ทำเราขัดขืนได้นะใช้อริยะอะไรอริยะขัดขืนเนี่ยือเฉยเฉยไปไม่ต้องไม่ต้องพูดพอะไรพอหมอให้ไปขโมยพี่พ่อบอกว่าให้ไปมีชู้ให้ไปมีผัวเพราะว่าชู้คนนี้เขารวยเขาจะได้ซื้อรถซื้อบ้านให้กับพ่ออย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเรามีสามีแล้วเราก็ไม่ทําทําได้ คุณ พ, พนุวัตรครับทานศีลภาวนาการภาวนาให้บุญมากที่สุดเพราะเหตุใดครับและภาวนาที่เริ่มให้บุญต้องถึงปฐมฌานหรือเปล่าครับหรือว่าแค่มีสติรวมสักระยะหนึ่งของความเมตตาพระอาจารด้วยครับเพราะมันให้ความสุขมากที่สุดนั่นเองความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เป็ความสุขที่มากกว่าความสุขที่ไดจากการให้ทานนักษาศีลเมื่การที่จิตจะสงบได้ก็ต้องขั้นฌานศีขึ้นไป คุณทวัตชัยครับถ้าเรานอนกัดฟันแม้แต่นั่งสมาธิจนรู้สึกสบายดีแล้วพอออกจากสมาธิจึงมารู้ตัวว่านั่งกัดฟันอยู่จะมีวิธีแก้ไหมครับก็แก้ด้วยสติไงเรานั่งทํอพุทโธพุทโธไปถ้าไม่จะนั่งกัดฟันเราก็นั่งพุทโธพุทโธไปถ้านั่งเฉยเมันต้องหลับในนั่งหลับเพรานว่ากัดฟันได้แสดงว่านั่งหลับได้มีสติ คุณกันนิโรบนครับกับเรียนพระอาจารย์ขอโอกาสเรียนถามการที่มีญาติหรือคนที่เรารักเสียชีวิตเราไม่ควรมีน้ำตาเพราะมีคนบอกว่าถ้าวิญญาณเห็นหรือรับรู้จะไม่ไปสู่สุคติจริงหรือไม่คะไม่จริงครัการพูดผู้ตายจะไปนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่หรืออยู่ที่บุญกรรมของตนเองถ้าทำบุญมากกราบาปก็ไปสุคติอย่างแน่นอนถ้าทบาบาปมากกว่าบุญก็จะมาไปทุคติอย่างแน่นอน ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนหนึ่งเขาร้องให้ให้หรือเปล่าหรือว่าคนสับแช่งเราหรือเปล่าหรือว่าสารรเสรื่อกย่อะๆยืนยอเราหรือเปล่าคนมางานสมรามากน้อยหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับคมตายนะจีนี้ทําให้คมตายกิเกิดที่ไหนนี่ขึ้นอยู่กับบุญ บ, บาป ท, ที่เขาได้ทําไว้เท่านั้นเองคุณภูมิรัตนนครับนั่งสมาธิได้จิตนิ่งอย่างเดียวจะได้บุญกุศลไหมครับ ท่านเองก็มีความสุขก็ได้ท่านเองยังไม่มีความสุขก็ยังไม่ได้วัดที่ความสุขใจเป็นแบบขออนุญาตหาคําถามแป๊บนะครับอาจารย์หมดแล้วเนี่ยอ๋อมีเยอะครับมีคนใ า, าถาธุเข้ามาขั้นเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับคุณสมพรครับ ช่วงนี้โยมลาพักผ่อนมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวปกติต้องทํางานอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีบ้านอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโยมเพิ่งตระหนักเอาเองจากธรรมะของพระอาจารย์ว่าธรรมะที่อยู่ร่วมกันควรใช้พรมวิหารสี่อย่างนี้โยมสามารถนําธรรมะพรมวิหารสี่มาใช้ในครอบครัวเป็นหลักธรรมะที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังครับออปกติไม่มีหลักยึดเลยอาจทําให้จิตใจไม่สงบได้ง่ายอาจารย์ก็ เป็นส่วนหนึ่งคือพอมีหาสิ่งนี้อาจจะเป็นธรรมะรวมก็แล้วกันแต่ยังมีธรรมะละเอียดที่พระเจ้าทางสอนให้เราใช้ระหว่างเราอยู่ร่วมกันอีกสี่ข้อด้วยกันก็คือหนึ่งเราต้องมีจากกะเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราต้องรู้จักเสียสละให้ต่อกันและกันมันก็เป็นเหมือนเมตตาเนี่ยจากกะแล้วก็มีสัจจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันนะ แล้วก็มีธรรมะความอดกลั้นเราต้องรู้จักอดกลั้นก็คืออุเบกขาเนี่เราต้อง <Okay. S 1> อดกลั้นเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างระบายออกมาเวลาโกรธอย่าระบายอย่าไปพูดอะไรกับใครว่ามันจะทำให้เขาไม่สบายใจหรือทำให้เขาเสียใจได้แล้วเราก็จะมาเสียใจไปหลังต้องมีธรรมะแล้วข้อที่สี่ก็มีทันติแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าบางทีเราอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมี มีอะไรมีทุกข์ยากมีความสุขมีความทุกข์ช่วงสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรช่วงทุกข์นี้ทุกคนก็นจะบน่นทุกคนก็นจ ะ, ะทําตัวอะไรให้ยากต่อการอยู่ร่วมกันแล้วออก็ต้องอดทนขอบคาไป mm hmm. คล้ายๆกับธรรมะเพียงแต่อดทนกับเรื่องเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เราอดทนนี่เรื่องทนกเรื่องของค น, คนอื่นธรรมะนี่ให้เราอดกลั้นกับอารมณ์ นำมาอดการอารมณ์ทันติอดทนต่อพฤติกรรมต่างๆของของผู้อื่นครับอันนี้ก็สามารถนามาใช้ในในในการอยู่ร่วมกันได้คุณปียบุตรครับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับถ้าทำทานไม่พอที่จะละความตณหนีกับรักษาศีลไม่ครบมีบกพร่องบ้างบางข้อการภาวนาจะมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับทำทานจนละความตณนีได้ และรักษาศีลได้ไม่บกพร่องครับเรามันก็ดีกว่าการเยอะนี่ถ้าเราละความตณ์ได้เราก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายคับการไปขังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างเลยเทำให้เวลาเราภาวนาไม่ต้องขวงสมบัติดังนบางคนจะไปอยู่ไปภาวนาที่วัดก็ไปไม่ได้เพราที่บ้านไม่ได้มีข้าวของเงินทองเยอะัวเดี๋ยวไปแล้วขโมยขึ้นบ้านแม้กระทันน่งได้มีคนเท่าให้อยู่ก็าตามแต่ก็ไม่ไม่ไหวใจเของ แต่ถ้าเราไม่มีความตันหนีแล้ว เ, เราถือว่าของต่างๆที่เป็นของเรานี่เป็นสมบัตินอกกายสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากมันไปถ้ามันจะจากไปก็ปล่อยให้มันจากไปยิ่สดงว่าเราไม่มีความตันหนีเราก็จะสามารถทิ้งบ้านไปภาวนาะได้ในกรปสิบัติธรรมที่วัดได้นักษาศีลได้พอ่ออาณาได้ทําจิตใจให้สงบได้ คุณวิชิตครับอยากจะถามพระอาจารย์ครับผมสวดมนต์ทุกเช้าอยากเช้ า, ชาเย็นแต่จะใช้บทธ ร, รมวัดและอิติปิโส ต, ต่อด้วยพาหุงมหากาเป็นหลักครับต้องมีบทอื่นต่อเพื่อให้ถูกต้องอีกหรือเปล่าครับอันนี้แล้วแต่เราสําหรับการสวดจริงๆนี้ไม่ได้อยู่ที่บทว่าจะสวดบทไหนแต่อยู่การ ส, สวดเพื่อให้เรามีสติเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดปุ่มแต่แงนั้นเองบางทีสวดแค่คําเดียวก็ได้สวดพุดโทโธคําเดียวก็ได้ อันนี้คือจะสวดสั้นๆแต่สวดหลายๆรอบก็นด้เช่นบางแห่งก็อันนี้เขาก็นิยมสวดเอทิปิโสร้อยจบหรือสวดตามอายุของเราเป้าหมายก็คือให้เราให้ใจเราหยุดคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อใจเราจะได้เย็นจะได้สงบมีความสุขนั่นนี่คือหลักของการสวดไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องสวดบทนั้นบทนี้แล้วไม่สวดบทนั้นบทนี้ไม่สําคัญถ้าจะสวดเพื่อให้มีสติให้จิตสงบ นอกจาว่าเราสวดพื่ให้ได้ความรู้อันนี้เราต้องเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดถ้าเราสวดบทพุทธกุลเราต้องรู้ว่ามีความหมายว่าย่งไรองคพระพุทธเจ้าเป็นพระ อ, าอารหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราต้องเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการปัญญาหรือต้องการสติถ้าต้องการสติเพื่อความสงบในสวนบทไหนก็ได้ ถ้าต้องการปัญญาแล้วก็ต้องดูว่าเราต้องการปัญญ า, ะารญญาะดับไหนระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาแล้วก็ญญต้องเรียกบทที่สอเกี่ยวกับเรื่อง น, อบบนี้นั่นเองคุณสวัสดีครับเดินถามพระอาจารย์ครับคนที่ตายไปแล้วทีนี้ลงนรกแล้วโดนทําโทษอย่างหนักเขาจะยังรู้สึกเจ็บตัวเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับพระอาจารย์พอจะรู้ไหมครับขอบคุณครับเขาเป็นเจ็บที่ร่างกายแตเจ็บที่ใจ ขณะที่เรามีชีวิตอยู่บางทีร่างกายเราไม่เจ็บเพียงแต่เราเจ็บใจนะใครมาด่าเราหน่อยนี่ย้ำไม่ได้นะรูปผู้ชายยาำไม่ได้ค่าฆ่าได้แต่ยาำไม่ได้ น, นั่นแหะมันก็จะเป็นความน่าสนานั้นมันเป็นความเจ็บทางใจไม่ให้ความเจ็บทางร่างกายคุณจารุณีครับทําบุญแล้วแบ่งบุญให้แมวที่เลี้ยงไว้ทั้งสามตัวแล้วอธิษฐานให้พบภูมิหน้าเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแมวจะได้รับบุญนั้นหรือไม่ครับ ไม่ได้เลยเขาเป็นสัตว์ชอบไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญนอกจากตัวสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ฉลาดซึ่งอาจจะทําอะไรประโยชน์ให้กับเราเขาก็จะได้บุญเช่นเป็นสุนัขแล้าพอดีมีขโมยมาขโมยของสุนัขก็ข่าวไล่ไปองี้เพ้องกันทรา์สมบัติให้กับเราเขาก็จะได้บุญแบบตามสถานะภาพของเขาหลายคจะมาทําบุญแบบมนุษย์ทําไม่ได้ยังไม่อยู่ในฐานะ คุณเรครับเวลาผมนั่งสมาธิความรู้สึกเหมือนตัวเอียงผมควรทำยังไงครับไม่ต้องสนใจปล่อยมันเอียงไปให้อยู่กับพุตโธอยู่กับงานของเราที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็จะไม่มันบางทีมันเป็นความรู้สึกเฉยๆที่มาหลอกเราคเอีงร่างการมันก็ไม่เอียงถ้าเราไปขยับเดี๋ยวมันเราคิดว่าเอียงไปทางขวาเราขยับ้าหน่อยแล้วเดี๋ยวมันน่าคิดต่อเอ้ยมันมันมันไปทางขวามากเกินไปรล้วแบบเดิงกลับมาทางซ้ายหน่ะ เโยมเขาก็นั่งคอยปรับท่าร่างกายก็เลยไม่ได้ทอนะไม่ได้นั่งสมาธิจริงเวลาเราเริ่มทำสมาธิแล้วเราต้องนิกเรื่องร่างกายไปอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลองแ่้วก็อยู่กับพูดโทรเออย่างเดียวคุณก้าเดินครับกาศธรรมสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามก่อนจิตจะรวมเป็นอุเบกขามักจะมีอาการแปลกๆปรากฏขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่สามารถผ่านอาการแปลกๆไปได้แสดงว่าเรายัางเข้าไม่ถึงอุเบกขาไหมคะ ไม่แน่เสมอไปบางทีก็ไม่มีอาการแตกต่าแบบมันก็เข้าได้อย่า ง, างเฉยๆไปแบบว่าแบบแบบรีบๆไม่มีปัญหาบางทีก็เหมือนกับตกจากที่สูงที่ที่สูงลงมาบางทีก็อันนี้หมายถึงถ้าอยู่ในขณะที่ครื่องหลับครึ่งตื่นนี่ใกล้จะนอนเี็ยก็ออ จ, จะเกิดความรู้สึกว่ามีผีอังหรือมีอะไรมายกเราขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเราลงกับพื้นอย่างเนี้ย แล้วพ อ, อเกิดอาการนั้นป้นาาปมาจิตก็นิ่งสงบแล้วก็หลับไปก็มีอย่างนี้อย่างนั้นแตอาการมันก็แล้วแต่มันจะเกิดไม่เกิดไม่ต้องไปกังวลขอให้เรามีสติรู้เฉยๆแล้วจะไม่มีปัญหาเลยอย่าไปตื่นสนอกอย่าไปตื่นเต้นตกใจให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้หลอกมีของอะไรแตกๆให้เราดูอย่างนี้อา่ารย์ครับแล้วถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิแต่เหมือนนอนจะหลับแล้วมันเหมือนตกวูบลงไปนั่นแหละก็เหมือนกันเราเข้าระวังหลับ มันก็เหมือนกับฟ้องสมาธิต่างกันน้งที่ไม่มีสติก็มีสติเท่นั้นเองแต่เป็นฟ้องเหมือนกันถ้าอย่างนั้นมีประโยชน์ไหมครับพระอาจารย์ไม่มีเพราะมันไม่มีสติมันก็มีประโยชน์ตรงที่มันได้พักผ่อนมันก็มันจะได้ไม่ฝันนอนหลับแล้วก็ไม่ฝันนอนหลับเสี็ยคุณลังครับกาศธรรมสการ์ครับถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณแผ่บุญให้ทุกคนแล้ว จำเป็นต้องบังสกุลในช่วงสงการไหมครับมันคนละเรื่องกันนะการแผ่เมตตาแบบส่วนนี้ไม่ได้ไปดวลอะไรเลยนะต่อให้แผ่กี่กี่ครั้งกี่รอบกี่ร้อยคนมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาที่แท้จริการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องเกิดจากการกระทําคือให้ความสุขแก่ผู้เช่นการไปบังสกุลนี้ก็เป็นการทําบุญสมบูรณ์ให้กับผู้ร้องรับแต่ละอันนี้ ไื่ว่าถ้าเป็นคนคนมีชีวิตอยู่ก็ซื้อข้าของไปให้เขาแทนแทน น, นนี้แทนนี่ยามเงินไปบางสกุล ก, ก็เอาเอาเองินไปซื้อของให้เขาหรือเอาเองินสดให้เขาไปเลยก็ได้เพราะว่าแบงค์มันใช้บ้างอะไนตงนี mm ้อ hmm. อนนี้หลักเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทํา mm hmm. ไม่ใช่แผ่ด้วยการนึกคิดด้วยสวดไปภายในใจคนที่เราแผ่ไปนั้นเขาไป่รู้เรื่องเราใช่ไหมว่าก็ว่าเราได้แผ่เมตตาให้กับเขานะ เราต้องแผ่ด้วยการกระทันเพราะถึงจะ้และได้รับผลประโยชน์จากการแผ่ของเราและเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้มีความสุขใจเวลาที่เราให้อะไรกับคนด้วยแล้ะก็มีความสุขใจดีใจเราก็จะสุขใจดีใจไปกับเขาด้วยคุณพารัตครับกาญมรัสกา ร, กรพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าทําความดีละความชั่วลดความโลภลดความเห็นแก่ตัวออกจากในจิตใจ ถือว่าเป็นวิธีสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นขั้นปฏิบัติอะไรก็ศึกษากนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพระเจาก็สอนให้ทําความดีละเชื่อชำระใจให้ปราศจากความโลภหงุดหงิแล้วก็นําออกไปปฏิบัติทําเป็นเช่นนความโลภหงุดหงิดจะหมดไปจากใจถึงจะเรียกว่าทำได้สําเร็จบรรลุพอบรรลุแล้วที่นี้เราก็สามารถนํำมาไปสอนผู้อื่ได้ เมื่อสอนรู้หน้าก็จะมีพูดบรรลุเป็นพออาระอรหันต์ได้ก็จะเป็นการสืบทอดไปยอันนี้ขั้นนี้ยังอยู่ขั้นปฏิบัติอยู่ขั้นที่สองอยู่ต้องทําให้มันถึงขั้นที่สามคือบรรลุพระพระนิพพานให้ได้ก่อนเมื่อบรรลุถึงพระนิพพานแล้วทีนี้ก็เอาไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไป <c oughs> ถึงจะเป็นเรื่องการสืบทอดศาสนาที่สมบูรณ์ครับ <c oughs> คุณนัครับ ในชีวิตประจําวันเช่นทำความสะอาดบ้านอยู่คนเดียวดูการเคลื่อนของร่างกายแต่พอมีอารมณ์เช่นโกรธผุดขึ้นก็หยุดงานบ้านไว้แล้วระลึกรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยความอยากให้ความหายไปใช้ความโกรธเป็นอารมณ์กรรมฐานจิตสงบดีกําหนดไปพักหนึ่งความโกรธก็ดับไปทําแบบนี้ผิดไหมคะเคยได้ยินพระอาจารย์ห้ามทําแบบนี้แต่ให้แผ่เมตตาแทนทั้งนี้รวมทั้งอารมณ์อื่นๆด้วยค่ะเช่นความโลภก็ระลึกรู้ ระลึกรู้ความโลภที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อยากให้มันดับแต่เมื่อระลึกรู้ไปเรื่อยๆความโลภ ก, ก็ดับไปเองระหว่างนั้นจิตก็สงบขาดทําทแบบนี้ผิดไหมคะคือทอําอย่างใดให้มันสงบก็ใช้ได้นะมันมีหลายวิธีได้กันถ้าเราใช้มิตตาก็คือถ้าเราโกรธใครเราให้อภัยเข้าไปมันก็หายโกรธได้หรือว่าถ้าเราจะใช้คําบริกรรมพูดโธพูดโธก่อนเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องราวที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็หายไปไ อันที่มักจะไม่ยอมให้ใช้คือให้ดูความโกรธในนี่เพราะมันดูความโกรธแล้วนจะทําให้โกรธมากขึ้นแทนที่จะทําให้โกรธนั้นลดกันแต่ถ้าสามารถดูความโกรธแล้วทำให้ความโกรธหาย ไ, ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทําได้เป้าหมายก็ขอให้มันหายไปเพื่อให้จิตเรากลับมาสมงบเหมือนเดิไมได้คุณเปียาบุตรครับเรียนสอบถามครับพอดีฟังพระอาจารย์เทศเรื่องการปรับสังโยชิสิบเลยมาเปิดก o เกิลดูมีคําถามว่า คำว่าศีลปฏาปรมาสหมายถึงอะไรครับขอตัวอย่างอธิบายง่ายๆครับรบกวนสอบถามครับก็ ค, คือความสงสัยในกฎแห่งกรรมนี่ศีลก็คือการกระทําบาตรที่พเจ้าสงห้ามไม่กระทําคือยังสงสัยว่ากรรมมีจริงหรือไม่มีจริงกรรมสมผลให้กับทุกประทมหรือไม่เช่นทำบาตรแล้วจะไปนรกไปอบ า, ไบ า, าบายหรือไม่สำหรับพระโสดาบันนี้ท่านไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมท่านจะรักษาศีล ยิ่งการรักษาชีวิตเพราะท่านรู้ว่าทําบาปแล้วจะต้องส่งให้ท่านไปเกิดในาวายทันทีพระอริยบุคคลทุกทกระดับจึงไม่ไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดไม่สงสัยไม่ลังในสงสัยศีลพระธรรมประวัตการรูปคำรูปคำศีลจะไหนศีลก็คือกรรในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมยันพระอาริยะสงเสริญทุกรูปไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยรู้ว่าผู้ที่รับผลก็คือจิตใจของเรานั่นเองทําบากปปั๊บใจร้อนขึ้นมาเป็นนรกเป็นใครขึ้นมาทําบุญปั๊บใจเย็นสงบมีความสงบขึ้นมาทันทีนี่คือศีลับปัจจักรมาคือความรูปธรรมในกฎแห่งกรรมยังไม่เชื่อยังไม่ยังไม่เชื่อกฎแห่งกรรมหรือยังไม่เห็นเห็นกฎแห่งกรรมว่ามีจิตว่าเป็นของจิตยังรูปธรรม คุณเจษฎากรครับการธรรมศาสตรพระอาจารย์ครับบุคคลที่ไม่ใช่พระพิสูจสงส์หรือผู้ที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์สามารถแสดงพระธรรมมันประเสริฐเช่นเดียวกับพระสงฆ์ได้หรือไม่และมีความเหมาะสมอย่างไรครับก็อยู่ว่าเขามีธรรมมันประเสริฐหรือไม่ถ้าเขามีธรรมมันประเสริฐเขาก็สามารถที่จะแสดงได้ไม่มีข้อห้ามว่าอยู่ต้องเป็นพะนุ่งหนียงผมอย่าง เ, งเท่านี้วันก่อนนี้ได้คุยธรรมะกับกล่มที่อยู่ในห้องสงบเกี่ยวกับเรื่องเวล้ลั เป็นสังฆาราชของเซนโอที่หกตอนที่ท่านตอนที่ท่านแสดงธรรมนี้ท่านก็เป็นท่านไม่ได้เป็นพระท่านเป็นคนคนคราวาสหาเฟื่องหาเฟืนอแล้วก็มามาส่งให้กับวัดแล้วพอดีช่วงนั้น <c oughs> มีการประกาศหาผู้ที่จะมาสึบทอดสังฆาราชองค์ที่หกห้องที่ห้าให้ผู้ที่มีศักยภาพแสดงธรรมด้วยการเขียนฉลบที่ทา เป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างเป็นอย่างไรก็สาวกองที่ที่เก่งที่สุดก็เขียนว่าจิตนี้เป็นเหมือนกับตะเกียงตะเกงก็มีโ๊ะมีกระจกคอต้องหมั่นคอยเช็ดกระจกอย่าง่อยกระจกจะได้ผ่องใสแสงสว่างจะได้ส่งออกม า, มาได้อย่างเต็มที่ยังต้องมีการคอยเช็ดคอยขัะจิตก็เหมือนกันต้องมีคอยคอยภาวนาคอย จเจริญสติจเจริญปัญญาเพื่อคอยกําจัดสิ่งที่มาทําให้จิตใจเศร้าหมองนี่ไม่หลังเขาบอกไม่ใช่คนที่เป็นคนคนที่เข้าเข้าเป็นเป็นคนคนคนขายฟืนเนี่ยคนหาฟืนเนี่ยมากจะหลองนี่เอกไม่ถูกท่านเขียนตั้งเขียนเข้าใหม่ๆฉลองของท่านท่านเขียว่าจิตเป็นเป็นความว่างจิตเป็นเหมนความว่าง เมื่อเป็นความมากนั้นก็ไม่ต้องไปขัดให้มันเสียเวลาเพราะไม่มีอะไรจะไปทําให้มันหัวหมองได้พอสังฆราชของที่นี่มาอ่ก็จะไปถามว่าใครเขียนอันนี้วะพอรู้อะไรเรียกไปรับบาทรับอะไรจากท่านไปแต่ให้ดบบเงียบเยียเพ่อบอกว่าให้แบบต่อหน้าไม่ได้เพราะมันจะเกิดอาการอิดชันเสียและเกิดการไม่เข้าใจขึ้นแบบว่าคารวะสามารถบรรลุธรรมได้ แไปรับมันก็ให้หลบหนีไปอาประวัตินะถ้าที่ได้อ่า น, นได้เคยได้ยินได้ฟัง น, นั้นคารวะก็สะแสดงทำได้าถ้าถ้าเป็นทำแท้ทำจริงไม่แต่เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนี่นคือปัญหาแล้วคารวะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือไม่รู้จริงขนาดตัวก็ยังเป็นภาพไม่ได้มันก็มันก็ทําให้เราสงสัยได้ใช่ไหมนอกจากว่าสถานะภาพบังครั้ให้เขาเป็นไปยังไม่ยังไม่ได้เป็นราพนั้นก็อีกเรื่อง นั่นมันก็ดูยากเหมือนกันนั่นก็ให้ดูว่าทำคำสอนของท่านก็แล้วกั น, กนถ้าท่านสอนแล้วทําให้เราบรรลุได้ก็เชื่อได้คุณเจเเล็กครับกราบน้อมสการเจ้าข่าการดูรูปนามแล้วเจริญวิปัสนาอย่างถูกต้องควรพิจารณาอย่างไรคะก็พิเป็นใจรักทุกอย่างเป็นใจรักรูปน้ำรูปก็เป็นใจรักน้ำก็เป็นใจรัก มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมอย่าไปยึดอย่าไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ปล่อยวางใหง้ให้อยู่กับความว่างขออีกคำถามนะครับพระอาจารย์แถมครับ <c oughs> คุณแนทครับเวลากลับมาจากทำงานประมาณสองสามทุ่มชอบเปิดไลฟ์สดพระอาจารย์สุชาติฟังคะ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าควรตั้งสติกาหนดอาการเคลื่อนหรือพุโทจะดีกว่า แต่เนื่องจากแยกมาอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนมีเพื่อนบรรเทาความเหงาและเหนื่อยหลังเลิกงานเพื่อนๆในไลฟ์ซูมก็มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันไม่เหมือนคุยกับใครคนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับการภาวนาดิฉันควรแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะเลิกฟังไลฟ์สดแต่ตั้งใจพุดโทรและดูอาการเคลื่อนแทนช่วงกลับมาถึงบ้านสองถึงสามทุ่มคะ่ะเออการดูไลฟ์สดทำงานนี่ไม่ไม่เสียหายนะเป็นสิ่งที่เราควรจะดูด้สั้นไปไม่ควรจะปฏิบัติเพีอย่างเดียว คนยังมีการเรียนสตปไปด้วยเพื่อจะได้ตอบย้งความรู้ของเราให้ให้ น, นให้มันคงและแน่นชัดถ้าเราฟังคั้งของขั ง, ขงเราอาจจะลืมได้เพรนฟังได้ฟังได้ทุกครั้งที่มีการแสดงสดวก็อย่างอยถ้าเราได้ฟังทำวันละชั่วโมงเนี่ยถือว่าไม่มากเกินไปดีกว่าไม่ฟังเลยเพราะพอเราไม่ฟังนานๆธรรมมันจะจางหายไป แ้วความหลงมันจะเข้ามาข้อบงำใจเราเโดยที่เราไม่รู้สึกตูวก็ได้ังไม่เสียหายในการทำๆเพียงแต่ว่าอย่าฟังอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติเลยท่านนั่นเองอาจะมีน่าสนใจคำถามหนึ่งก็ได้อะไรอะไรไม่เป็นไรตอบปหน่อยก็ได้จากครูจอร์ดครับ เดียวถามป้าอาจารย์ครับกระผมนั่งสมถาภาวนาในช่วงตีสี่ถึงตีห้าเพราะจะสงบมากๆพอบริกรรมพุทโธได้สักพักใหญ่จิตจะนิ่งเงียบไปเลยรู้สึกตัวอยู่ตลอดแต่จิตของกระผมไม่รวมลวงวูบไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ความนิ่งเงียบนี้สงบมากอยากทราบอยากสอบถามท่านอาจารย์ว่าผมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องการสงบของจิตข้างหลังๆนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ต่วูเหมือนครั้งแรกๆไม่ต้องกังวลขอให้จิตสงบนิ่ง ปราศจากความคิดภูมแต่มีอุเบกขาจิตวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ถือว่าถูกต้องคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณสิริเพนครับกราบเรียนถามอาจารย์ค่ะเคยปฏิบัติบทชีพรามขณะนั่งสมาธิเห็นใบหน้าพระพุทธเจ้าลอยมาเต็มใบหน้าปิติน้ําตาไหลค่ะเคยฝันว่าเดินจงกรมเดินข้าสพานพ้นสาเร็จรมไหมคะเไม่สําเร็จจากการที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้หรอก สำเร็จด้วยการเราเจริญปัญญาเพื่อรักสัมโยะเวา่าต้องมันเจริญปัญญาและสมาธิเมื่อใหมีเบเกาสนับสนุนปัญญาเพื่อเราเห็นไตรลักษณ์เพื่อเราจะได้ละสัมโย์ทั้งสิบให้ได้วันนี้เป็นนิมิตเชั้นเองอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำด้วยกั น, น, นอยู่ในเฟซบุ๊คหกร้อยสี่สิบคนอยู่ใน y o u ู u b ้าร้อยสาสิบสี่คน ในクラブเฮาส21คนนะครับวันนี้มีฟังธรรมพร้อมๆกันอยู่ 1,195 คนครับยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยการแสดงสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรจากเวลาก็อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาละปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความบรรลุธรรมขั้นต่างๆที่จะตามมาต่อไปทุกท่าน สาธุสาธุแล้วก็ขอลาท่านแปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในค่าหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับกลับกับพระคุณพระอาจารย์นะครับสาธุครับผมสวัสดีไว้ก่อนนะคุณห้อคราบนักการครับผม